อ า, อ, าอาณาครอบกาพเจรย์ขน้อยทุกๆององด้วยความเขารบยางสูงขน้อยอาขน้อยเคยได้ยินสุภาษิตของพระพุทธองค์ตัดไว้ว่าจงมองโลกนี้เป็นข้องว่างแล้วมัจจุราชตามบอทันขน้อยอยากคอความเมตตาเพิ่อนอธิบายให้ขน้อยมองโลกในได้เป็นข้องว่างขน้อยพระชนะจริงๆว่าอะไรกาหนดบทเพลชนะได้ไหม คือหมายว่าถ้าสมมติเร า, าสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้เป็นพุทธพจน์หรือเปล่าเลยนะพระเจ้าให้คําแนะนําว่าต้องกําหนดเนื้อความนั้นให้ดีนี่อาตมาไปออกรายการวิทยุอันหนึ่งนะเรายการวิทยุที่วิทยุประเทศไทยอะ่ะเขามีคนหนึ่งเขาเขียนจุดหมายมามาถามว่าที่ท่านอาจารย์พูดอย่างนี้องนะหมายความว่าไงก็คือแล้วเขาก็กําหนดบทพิเศชนะเราไม่ถูกแต่จริงๆเราเราพูดถูกอยู่ แต่เขากำหนดบทพิจาไม่ถูกทําให้เขาเขียนคำถามมาก็ไม่ถูกตั้งคำถามแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าที่บอกว่า เ, า <c oughs> เมื่อเราทรําจิตให้เป็นของว่างใช่ไหมทําจิตอะไรนะว่างเปล่าปล่อยให้ว่างมัจุนาก็จะตามไม่ทันจริงๆพุทธวจนะน่าจะเป็นอย่างนี้ที่พุทธเจ้าบอกว่าอามัจุน่าจะทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าบุคคลที่มีจิตหลจิตมีจิตเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นผู้ที่ มานมองไม่เห็นมีมีพุทธวนจนะอันหนึ่งที่เป็นอย่างนี้นะมันแม่นีเดอร์มัจจุราชมองวะเห็นอีกคือตายแล้วบได้มาเกิดอีกเลยว่าแม่นว่านั้นเนี่มันว่ามันเข้าถึงพันิพานเลยอืมมัจจุราชจึงตม่มวะเห็นบได้มาเกิดอีกนั่นแหละเรียกว่าบได้มาเกิดมาแกมาเก็บมาตายอีกอพนะ อ, อกา อ, อมัจจุราชนี่นะ มจุราชหรือมารก็ตามเนี่ยจะได้ช่องจากเราไม่ทางตาก็ทางหูไม่ทางจมูกก็ทางลิ้นทางกายหรือทางใจทางใดทางหนึ่งในหกทางนี้ในหกทางนี้นะถ้าเราวางหกอย่างนี้ได้เขาจะหาเราไม่เจอตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียนี่ตอนที่นั่งรถผ่านมาตรงไหนหลวงพ่อ ผ่านมาจากเองจันทนะมันมีเขาตัดไม้อยู่ต้นบักใหญ่เลยเขาตัดมาเสร็จปุ๊บเราก็มองว่าเอา้าเขาตัดนี่เราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรนะสมมติในบ้านเนี้ย <c oughs> ถามว่าเขามีงานศพกันใช่ไหมถามว่าเราที่งานศพที่เขาจัดๆกันอยู่เนี้ยบางคนเราก็คือ ข, ขับผ่านไปเลยโดยที่เราไม่รู้จักว่า น, นี่งานศพใครใครเสียแล้วเราไม่รู้จักคือเขาก็เผาเผาไปใช่ไหม โดยที่เราไม่รู้สึกอะไรเลยกับคนนั้นพระเจ้ายกตัวอย่างว่าเหมือนกับหญ้าไม้กิ่งไม้ในบ้านเนี้ยเขาจะขนไบเผาขนไปทิ้งเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่ามันจะมากวนใจอะไรเราเพราะว่าความที่เป็นตัวเราของเราไม่มีในสิ่งนั้นอย่างคนที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยนะเขาตายไปเราก็ไม่แคร์เราก็ไม่สนใจเราไม่ได้ไปงานศพด้วยซ้ําเขามีงานศพเราผ่านปุ๊บเราก็ไม่ไม่รู้สึกกระเทือนใจแต่ถ้าเป็นญาติเราพ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราคนจะรู้จักอุ้ยตกใจเลยว่าอ๊เขาตายแล้ว เพราะว่าความที่เรามีความเป็นตัวเราของเราในสิ่ง น, นั้นนั้นถามว่าไอ้ที่เราจะไปรู้ว่าตัวนั้นเป็นของเราหรือของเราหรือไม่เนี่ยมันก็ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทางนี้เท่านั้นถ้าเราวางหกอย่างนี้ได้ผางเลยแบบนี้างแจงจางฟางคือหมายความว่ามันก็จะมองไม่เห็นมันก็จะมองไม่เห็นอ่านะข้อน้อยข้อก้าบอีกขน้อย โลเฮติว่าเฮต่จะให้มองเบห์นี่นะเห็นที่ต้องต้องดำเนินเนี่ได้ขคน้อยต้องมาดําเนินโดยการกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตเฮามีสมาธิพอจิตเฮาเป็นสมาธิแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นปัญญาในที่นี้บนปัญญาที่เรียนตำราคมภีเน๊ะปัญญาญาณปัญญาที่สามารถชาระกิเลสได้ปัญญานั้นเกิดขึ้นปั๊บเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาหรือปัญ ปัญญาญาณปัญญานั้นเกิดขึ้นปุ๊บตัดโลภโกรดลงออกจากใจเฮาได้ทันทีเลยอันนี้ล่ะที่เฮาเป็นพระอรหันต์คือกิเลสบ่มีราคะก บ, บม่มีโทสะก บ, บม่มีโมหะก บ, บ่มีอวิชชาก บ, บม่มีมันตัดด อ, อกวัดแล้วทุกมันก็เลยบม่มีทุกชาตินี้ชาติเดียวชาติสุดท้ายบ่มีทุกอีกเลยชาติต่อไปบ่มีทุกอีก มโมมีทุกคือเข้าถึงพระนีผ่านแล้วตายแล้วเผาซันนี่แล้วก็ บ, บรรยากลับมาเผาอีกมัดเยี่ยง อ, อ, อ, อ่อนอ่อนสอนแต่สั้นหนอไม่ะยากดูครับตอนที่พระพุทธเจ้าเดินทางมาถึงที่เมืองกุสินารากับท่านพระอนนท์มีสถานที่หนึ่งพระพุทธเจ้าเมืองกุสินาราใช่ไหมพระุทธเจ้าก็เดินผ่านมาก็มีบอกครั้งหนึ่งบอกว่าอนอนท์เราเคยเกิดเคยเราเคย ตายลงในบริเวณนี้แล้วสถานที่ที่ระหว่างต้นสารคู่เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดแล้วในชีวิตของพระองค์ตั้งแต่เกิดมาในศาสนาตรงเนี้ยเราตายตรงเนี้ยมาครั้งที่เจ็ดแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายว่างั้นเราจะไม่ได้มาตายอีกแล้วว่าองนั้นว่าสับสนมากไหมขนอยยักษราบกาบทานขอา้อธรรมาอยู่ในสังคมในปัจจุบัน บปาสจากบันหา้าอยู่ทุกหุนทุกแห่งขอ้อขวา ม, มิตรตาแนะนำจะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาช่วยแก้บันห้าใดแนวได้เส้นกับเส้นวาครอบขวัวหรือว่าภรรยาสามีบอทึกต้องกันพวกขี่เลา่าสิเป็นต้นแล้วก็มูเพื่อนสิบอทึกต้องกันค่าราชการนักเฮียนนักศึกษาข้อพันแนะนําจะสร้างธรร ม, มสะสนิทได้จะเหมาะสมในการแก้ บ, บันหา้า ในสังคมขนาดคือคืออย่างนี้ น, น, นะหายความว่าถ้าสมมุติเราพูดไปนะคนที่เขาจะต้องเอาไปใช้เขาก็ไม่มาฟังคนที่เขาต้องออกไปใช้อ่ะสมมุติคนที่เหล้าอย่างเงี้ยเว่า เ, าเธออยากกินเหล้าแต่คนที่มันกินเหล้ามันไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่เข้าใจปะหรือว่าคนที่มันโกงชาติบ้านเมืองเนี่ยว่าเธออยากโกงแธอต้องทำจิตงี้อย่างงี้แต่คนที่มันโกงเนี่ยมันไม่นั่งอยู่ที่นี่มาฟังเข้าใจปะเพราะฉะนั้นถามว่าเอาอันดับแรกก่อนนะจะขอพูดนิด น, นึงว่าเราอ่ะ ทำจิตยังไงกับไอ้พวกแบบนี้พวกที่มันชั่วช่วพวกที่มันแบบว่ า, เ, าเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนชั่วเนี่ยอันดับแรกคือพวกนี้เป็นคนผ่านแต่พระพุทธเจ้าบอกให้อดทนก่อนเราต้องอดทนในความอดทนของเราเนี่ยชื่อว่าคนพาล น, นั้นถูกกีดกันแล้วเข้าใจไหมคือสมมุติว่าถ้าเราไปโกรธให้คนพานคนนี้มันไม่ดีมากชั่วมากๆเลยฉันจะแผ่เมตตานี่ฉันขอเว้นมันไว้สักคนหนึ่งมันไม่ได้ เรายังมีความตระนหนีในบุญไม่ใช่ไม่ใช่คุณทาไม่ถูกเราต้องอดทนก่อนเอาจิตของเราต้องอดทนก่อนเราอย่าให้มีความขัดเคืองในจิตของเราจากพวกนี้อันดับแรกก่อนนะจิตของเราจะต้องไม่มีความขัดเคืองในบุคคลแบบนี้ผัวเราแม่งกินแต่เหล้าหรือว่าคนนี้โกงโกงเรานักการเมืองคนนี้เราไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยเราอย่าให้มีความขัดเคืองในจิตของเราให้มีความอดทนก่อนแล้ะเราถึงจะทรงจิตแบบนี้ จิตแบบนี้แหละจะพอที่จะแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้พอที่จะบอกเขาให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดได้ขึ <c oughs> ้อนอัดัแรกก่อนก็คือว่ า, าธรรมะของพระเจ้าเนี่นะมีหลายอย่างมากพระเจ้าสอนหมดเลยตั้งแต่ขอทานคนเก็บอยากเยื่อคนจันทาน <c oughs> ชาวนากราบบดีข้าราชการระดับสูงจนกระทั่งถึงราชาหาหมาพระเจ้าจักรพรรดิหรือแม้แต่ภิกษุสงฆ์ผู้ที่ละจาก ต้องการรักกิเลสอย่างจริงๆแล้วก็สอนหมดทุกอย่างเพราะธรรมะหมดที่จะสอดคล้องกับใครๆเนี่ยมันมีหมดนะอย่างสมมุติว่าสอนคราว่าดเนี่ยบอกให้ขยันธรรมากินนะให้คุณรู้จักแบ่งใจทรัพย์นะให้ขยันธรรมากินตื่นแต่เช้ากลางวันเย็นธรรมากินตลอดนะแต่สอนพระบอกว่าเออปล่อยว่าหมดอย่าทําอะไรนะให้มีบริการน้อยๆมันเลยฟังเหมือนกับตรงกันข้ามกันเองแต่แต่เพราะว่ความละเอียดในธรรมวินัยเนี่ยมันมีมากแตนะ่ทําให้ เราต้องเข้าใจวงกว้างของพระเจ้าคือเราก็ค่อยๆศึกษาไปหรอกนะเพราะฉะนั้นหมวดธรรมที่จะเหมาะสมกับบุคคลที่เป็นอย่างนี้เนี่ยคือที่ว่าจะสามารถทําได้ปฏิบัติได้จริงๆเนี่ยคือเขาต้องมีเพื่อนดีกัลายานมิตรคือคนมันชั่วนี่นะเพราะว่ามันถูกคนชั่วพาไปคือเด็กๆโตมาอย่างเงี้ยเด็กลูกเด็กเล็กแดงเข้ามาวัดมาอะไรเราก็สอนมาตั้งแต่เด็กนะว่าให้มาวัดมาอะไรแล้วทำไมโตแล้วมันเป็นคนชั่วไปได้เหรอเพราะมันถูกเพื่อนชั่วพาไป อันดับแรกเนี่ยพระเจ้าเคยบอกพระอานนท์บอกว่ า, ากะะัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของการประพฤติปฏิบัติพระบรมชนแต่เพราะฉนั้นถ้าเขามีเพื่อนที่ดีได้แหมจะเป็นอุปกากระกับเขามากในการที่เขาจะจ ะ, จะทำดีได้อย่างสามีของเราหรือว่าคนที่ดื่มเหลบาเบียร์อย่างเงี้ยคือจะมันไม่มีคนชวนไปดื่มมันก็ไม่ไปดื่มนะคนถ้าเขามีเพื่อนดีในการที่จะชวนไปทําดีเขาก็สามารถทําได้อันนี้ประการที่หนึ่งหรือว่าหมวดทําอย่างอื่นอีกอย่างเงี้ย พระเจ้าเคยพูดถึงพระสงฆ์ที่อยู่ในอาวาสแล้วไม่ทะเลาะบอกแว่งกันนะสามารถคีบกันได้เนี่ยเพราะว่าไม่มีความคิดในทางการไม่มีความคิดในทางพยาบาทไม่มีความคิดในทางเบียดเบียนคือมีสัมมาสังกปะแต่ถ้ามีความคิดในการหลีกออกจากการมีความคิดในทางเมตตามีความคิดในทางไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยจิตเราจะน้อมไปในทางที่เป็นกุศลธรรมแต่แล้คือคนพวกนี้อย่างน้อยแน่นอนเลยคือเขายังไม่เคยเห็นความสุขที่เกิดจากสมาธิ ทำให้จิตของเขาเนี่ยน้อมไปในความสุขที่เกิดจากทางการทําให้ดีมี <c oughs> ปริพชกเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยสอนพระประสงนะบอกว่าเนี่ยถ้ามีปริพชกมาถามพวกเธอนะบอกว่าพระสงฆ์อพวกปฏิบัติธรรมในธรรมะในนี้เนี่ยในคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยหาแต่ความสุขความสบายตัวซีกินข้าวก็อิ่มหนาสําราญนะมีที่พักอย่างสะดวกสบายโอ้ยมันหาความสบายกันไป่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงเตือนสอนให้ตอบเขาอย่างนี้บอกว่าเออ บุคคลที่อยู่ในธรรมะในนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หาความสุขคือความสุขมี2 อ, อย่างคือความสุขที่เกิดจากการฆ่าฆ่าแล้วมีความสุขก็มีนะโกงก็มีความสุขก็มีพูดโกหกพูดเพ้อเจอมีความสุขก็มีเกิดจากการเสพการมีความสุขก็มีแต่อย่างพวกนี้เราไม่ได้ทําแต่เราทําความสุขที่เกิดจากสมาธิขั้นที่1ความสุขที่เกิดจากสมาธิขั้นที่2อสและ4แต่พวกนี้เราทําแต่ถ้าเราทําความสุขที่เกิดจากพวกนี้นะแล้วผลที่จะหวังได้คือโสดาบันสกิทาคามีนาคามีพะระอรหันต แสดงว่าพวกนี้เขาไม่เคยเห็นความสุขที่เกิดจากสมาธิเห็นแต่ความสุขที่เกิดจากทางการแต่ความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างแต่ความสุขที่เกิดจากการโกงการฆ่าการลักการดื่มกินพวกนี้แต่ถ้าเขามาลองเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบแต่พวกนี้ก็จะปล่อยวางได้เรื่องในสมัยพุทธกาลก็มีนะสีหเสนียบดีเรียกว่าทีกินเหล้าหรือเพื่อนของนางวิสาขากับสีหเสนียบดีได้กินเหล้าเมาเอิ้กอากเอิ้กอากเลย มหาพรุทจ้าพูดจาเสียงดังอะไรพอฟังทำปุ๊บปล่อยวางได้เป็นโสดาบันก็มีเหรอไหมเขาจิตเขาก็จะไม่น้อมไปในการทําผิดศีลนั่นอีกต่อไปลักษณะนี้สันติธรรมามาดครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่ว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราพอที่จะดึงเขามาได้แล้วถ้าถ้าเราจะตัดสินใจว่าฉันจะเป็นกระไรใมิของเขางนั้นนับแรกเนี่ยคือเราจะต้องอย่าให้มีความขัดเกลอนในจิต ง, งเรา ต้องมีความอดทนอดทนในพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วหาจังหวะเหมาะๆนะหาจังหวะเหมาะๆชักชวนเข้ามาให้มาเห็นความสุขที่เกิดจากในภายในเราทำตัวเป็นกัลยาณมิตรนะเราก็จะได้บุญที่เกิดขึ้นจากส่วนนี้ด้วยเขาจะเป็นผู้ที่เราเป็นผู้มีอุปการะกับเขาด้วยก็จะช่วยแก้ปัญหาในสังคมไปได้มากทีเดียวดางนี้เข้าใจบ คันบอกเข้าใจถามอีออคนมนุษย์ส่วนลายขี้ให้ขน้น่อยยักให้เบาบางในการขี้ให้จะทำยอย่างไรกันหน้อยขี้ร้ายใช่ไหมเป็นคนไม่ดีร้องให้บ่อยร้องให้บ่อยบ่อยแบบคนแก่ก็ร้องให้บ่อยบ่ยแก่แต่อายุแต่ขี้ให้ร้องให้นี่เพราะอะไรฝุ่นเข้าตาหรือเปล่าเข้าใจ ลองให้พวกขี้ให้องใคือลองให้พราะน้อยใจอย่างเงี้ยเหรอบ่บแม่ลองให้พอ ด, ดอไม่ได้ดังใจถุกใจอ๋อไม่ได้ดังใจถูกใจอ้าวก็แสดงว่าจิตเขาน้อมไปในทางกามคือกามเนี่ยคือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างสมมติว่าอยากกินข้าวอย่างเงี้ย อ, อยากกินน้ําอุ่นแต่ไม่มีน้ําอุ่นให้กินให้ระบานี้ อยากกินอยากกินผักอยากกินผักสดบ้านนี้แต่ผักลวกมาให้กินให้แล้วบานนี้ออยาก อ, อวันนี้อากาศมันร้อนอยากอยู่เย็นๆเพราะลมไม่มีให้แล้วบานนี้อย่างนี้ถูกไหมอ่าอันเนี้คือถูกไหมครับอ่าถืออยู่เป็นว่าแสดงว่าเป็นผู้ที่มีจิตน้อมไปในทางกามคิดทางกลามกลามนี่คือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่าง แต่ถ้าเขาละความสูตรที่เกิดจากความตรงการตรงนี้ไปได้เนี่ยนะโอยจะอยู่ง่ายกินง่ายมากอยู่ง่ายกินง่ายนะคืออย่าให้มีจิตเนี่ยมีความอยากในทางกลามเท่านั้นเองจะสามารถละได้สามารถละได้แน่นอนทีนี้จิตของเราเนี่ยมันจะน้อมไปในทางกางอยู่เสมอพระเจ้าเคยเปรียบเทียบตัวพระองค์เองนะเออ ตัพระงเองเนี่ยพอนั่งสมาธิตอนนั้นยังไม่ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่มาคิดว่าจิตของพระองค์เนี่ยเวลาจะระลึกถึงเนี่ยก็ระลึกถึงกามอันเป็นไปในอดีตน้อยครั้งนักที่จะนึกถึงกาลอันเป็นอนาคตและการอันเป็นอดีตก็คือโอโ้มีวางมีประชดและเ ว, วังมีชีวิตหรูหราผู้ฝ่าสวยงามมีเมีย ม, ม, มีลูกนะจิตจะน้อมไปในความคิดในทางกามนะในที่เป็นอดีตมากกว่าอย่างเช่นฉันเคยมีความสุขอย่างนี้เธอต้องเอาอย่างนี้ไหมชั้นฉันเคยกิน ไอ้ออมแบบนี้ต้องอ อ, อ, อมแบบนี้มาไม่มีให้บ้านี้ทีนี้ก็เลยถ้าจิตน้องไปในทางการแบบนี้อาจจะมีแต่ความเดือดร้อนละเป็นคนที่ให้รั้บ้านี้ทีนี้ก็จะอยู่ยากเลี้ยงยากถ้าเผื่ว่าจิตวางความระลึดในการตรงนี้ไปได้ก็จะอยู่ได้เลยง่ายเพราะฉะนั้นเขาจะต้องฝึกจิตของเขาเองอย่างลองดูง่ายๆอย่างอาหารหรือสถานที่อย่างเนี้ยคนที่ว่าร้อนเขาก็เผ็นไปนานแล้ว คนที่ว่าเขาอยู่สบายเขาก็ยังอยู่อยู่ทั้งทั้งที่อากาศก็เหมือนกันนะอาหารก็เหมือนกันทำไมบางคนอยู่ได้บางคนอยู่ไม่ได้นั่นเพราะว่าเป็นที่จิต น, นั่นเองแต่จิตของคนเราไม่เหมือนกันสิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็เพราะจากจิตของเรานั่นเองนี่นะแล้วมันเป็นเรื่องนี้อีกนะคืออย่างบางคนอย่างเงี้ยอสมมุติคนคนหนึ่งเขาว่าเราว่าวับว่าออกมาว่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่โกรธ แต่พอเป็นลูกคนใกล้ตัวของเราหรือว่าสามีเราผัวเราเมียเราคนใกล้ตัวเราเนี่ยว่าอย่างเดียวกันเนี่ยือทํำไมมันโกรธโกรธเคยเคยมีประสบการณ์นี้ไหมเฉพาะต้องคนนี้ยทําไม่ดีเนี่ยทํานี้เราโกรธมากแต่คนอื่นทํากับเราอย่างเดียวกันแล้วเราไม่เคยโกรธเท่าไหร่เออเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่จิตของเราไม่ได้เป็นปัญหาที่คําคําพูดนั้นก็ออนอยอยกักษามว่า เรื่องที่ปฏิบัติมือซ้อคืออานาปนสติเนาะขน้อยมีวันห้าวันเพราะวา่านี่ก็เป็นลูกซิทเนาะมีอาจารย์ไลยองค์ก็วอลแจกตังกันเรื่องทางด้านการปฏิบัติเรื่องอานาปนสติแต่ว่าขน้อยเป็นคนแบบอ่าเวลายูเพิเพิ่มแบบเบิ้งนั่งบออเบิ้งทีวีแต่ว่าเฮ็ดนั่งกเกลียดเตะท่าว่าเบื่อเบื่อแล้วขน้อยมัจักเทิงเทิงขิงหลงลจักจําหนดหลมให้ใจคืออานาปนสติเนาะแต่ยี่หันจะมี อ่ามีซ่องซ่องทางก็คืออาจารย์จะซ้อนต่างกันคือนึ่งให้กำหนดลมให้ใจเหยาวเหยาะคือดึงจนสุดออกเข้าจนสุดแล้วก็ปล่อยออกจนสุดภาษาท่านได้ยาวท่านได้แห่งดีอันนี้คือเราจะมีสติอยู่อยู่กับปัจจุบันไล่แล้วตัวที่ซ่องคือกำหนดหูเส้ยคือปล่อยเป็นธรรมศาสตรคือหูได้ว่าเข้ากับออกแต่ว่าขณายาหัวซ่องทางนี้ ก็มีวันห้าสาหรับขนอยเองเนอะก็คือถ้าตึงเข้าเงี้ยงเงี้ยวเราจให้เราเมือ่อยไวอ่าเวลาเหาเหานั่งปฏิบัติเทเทนอ่าเมือ่อยไวเราตัวที่ซ่องคือปล่อยให้เป็นธรรมชาติเราสติมั่งเพิ่อเราซ่องอในข้าน้นอยย้ายท้าอาจารย์ต่วอว่าเอาทางได้ดีขนอยเอาทางได้จะได้พ้นไล่ก็กันอ <c oughs> ให้เอาทางที่พระพุทธเจ้าสอน การที่พระเจ้าสอนก็คือพระเจ้าบอกงนี้สิ่งที่เป็นพุทธะก็คือว่า เ, อาเป็นผู้เมื่อไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามแต่ต้องประสถารที่นะป่าคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาเดี๋ยวรอบตั้งกายตรงดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าดํารงสติอยู่เฉพาะหน้านะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นะคือพระเจ้าพูดแค่นี้เราก็แค่นี้พระเจ้าบอกว่าอะไรย้าอีกครั้งหนึ่งนะ นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบนั่งคู่ขาเข้ามาใช่ไหมตั้งกายตรงถ้ากายตรงคอตรงหลังตรงจะทำให้มีผลดีต่อการนั่งสมาธิะระยะยาวนั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบนะจะคู่ข้างในคู่ข้างนอกแดงนั้นให้มันมั่นคงเฉยแต่ให้เป็นบรรลังมั่นคงแค่นั้นเองแล้วก็ดํารงสติเฉพาะหน้าภาษาบาลีใช้คําว่าปริมุขขังมุขนะมุข ค, คือแบบทางเข้าทางออกเพราะฉะนั้นมุข ค, คือทางเข้าทางออกตรงนี้อย่างเราตามอาคารบ้านเรือนสถานที่ราชการเนี่ยเขาจะมีมุข มุกก็คือจุดที่รถเข้าจอดเข้าไปได้คนลงขึ้นลงไม่เปียกใช่ไหมมุกตรงนี้ก็คือทางเข้าออกของลมหายใจเพราะฉะนั้นคือเราเอาจิตของเราไว้ที่ตรงนี้นะ <c oughs> แล้วผู้เช้าก็เคยเปรียบเปรียบเทียบกับนายช่างกลึงแต่เวลาเขากลึงชิ้นงานเนี่ยเขากลึงชิ้นงา น, นชักเชือกกลึงยาวก็รู้ชักเชือกกลึงสั้นก็รู้สั้นหรือยาวรู้หมดในเวลาชักเชือกกลึงเพราะฉะนั้นผู้เช้ายกตัวอย่างตรงนี้เนี่ย อาตมานะไปถามช่างกลึงในอุดอรมีช่างกลึงคนหนึ่งพ่อเขาย้ายมาจากเมืองจีนแล้วเขาก็มาอยู่ที่อุดอรนะเขาเปิดร้านกลึงมาเขาโตมาเนี่ยอยู่ร้านกลึงตลอดจนกระทั่งบัด น, นี้เขายุ60กว่าแล้วนะเขาเป็นช่างกลึงมืออาชีพนะชื่อร้านอยู่ในอุดอรนี่แหละตรงข้ามอยู่ดี่าวก็อธิบายอาตมาไปหาเขาให้กลึงขาไม้ให้เขาก็ให้เขาอธิบายวิธีการกลึงให้เขาถามให้ทํำยังไง แล้วเขาบอกว่าเขาต้องเอาประกอบไอ้ตัวชิ้นงา น, เ, นเข้าที่ฐานก่อนเข้าที่แท่นกลึงแล้วก็ปรับให้เหมาะสมแล้วก็เอาเข้าไปจ่อใบมีดตาของเขาเนี่ยต้องอยู่กับตรงใบมีดกับจุดจอ่อระหว่างชิ้นงานกับใบมีดนะและ้วอาจรย์มาน์กถามว่าเอาแล้วถ้าชักปุ่มกดปุ่มให้มันสั้นยาวเร็วช้าเนี่ยต้องมองไหมเขาบอกเขาไม่มองเวลาเขาจับคันชักหรือว่ากดปุ่มเนี่ยเขาจะรู้เฉยแต่ไม่มองคือมองเนี่ยเขาจะต้องมองจุดสัมผัสระหว่าง ลมร ะ, ะหว่างใบมีดกับตัวชิ้นงานเหมือนคันที่พุทธเจ้ายกตัวอย่างนี้ยเพื่อให้เราทราบว่าอ๋อเราต้องอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างลมหายใจกับปริมุขังตัวตัวโพรงจมูกให้อยู่จุดเดียวนะช่างกลึงเนี่ยพอเขาดูเนี่ยเขาจะดูว่าเอ้เรากลึงเร็วไปเรากลึงช้าไปไหมถ้ากลึงเร็วไปเนี่ ย, ยช่างกลึงคนนี้บอกเครื่องมันจะสัน่นคือมันจะกินไฟมากแต่แสดงว่าเราเอาใบมีดกินเนื้อชิ้นงานมากเกินไปแล้วต้องถอนออกแต่เวลาถอนออกก็ไม่ได้ดูคันชักนะไม่ได้ดูปุ่มกด แต่ทอทอออกเฉยๆแต่เช่นเดียวกันลมหายใจเนี่ยบางทีมันเป็นช้าบ้างยาวบ้างแต่จิตของเราเนี่ยต้องอยู่ที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งที่เรารู้สึกถึงสัมผัสของลมหายใจในโพรงจมูกนั่นคือตำแหน่งปริมุขังคือทางเข้าออกของลมหายใจนะคือดารงสติอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าตรงนี้คือปริมุขังนั่นเองถ้าเราเอาจิตเราไว้ตรงนี้นั้นลมหายใจจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่นะก็ก็ไม่เป็นไรก็สามารถให้ทรงจิตเอาไว้ได้ ประก็คือว่าบางคนเนี่ยชอบไปบังคับลมหายใจให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็กมันก็จะไปไม่ไม่เป็นให้เพราะว่าการบังคับเนี่ยจะเป็นลักษณะของนิวรณ์คือเครื่องกัางกั้นเป็นความอยากก็ต้องเอากําจัดนิวรณ์ตรงนี้ออกไปการที่ <c oughs> การที่เข้าใจในการปฏิบัตินั้นก็คือให้รู้จักลมหายใจเข้าใจออกนั่นแหละ กนเหาตายแล้วก็พอเห็ดลมหายใจเข้าออกหรอกกันายังมีชีวิตอยู่นั้นเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่พอเซาถ้าเราสามารถเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆได้เราทำงานอยู่เราก็สามารถรู้ได้ยืนอยู่ก็สามารถรู้ได้นั่งอยู่ก็สามารถรู้ได้นอนอยู่ก็สามารถรู้ได้เดินอยู่ก็สามารถรู้ได้ ถ้าเอาลูล่ลมของเฮาอยู่เรื่อยๆอย่างที่ก็ษีผูกต้องตามแนวของการปฏิบัติจิตของเราก็สิสงบพอจิตสงบแล้วเอาบอดด้มาเอาลมแล้วเอาความสงบพุ้นเอาความสงบเอาบอดด้คือเอาไปไซเบทัทนแล้วไปตกป่าหรือไปไซเบทเอาเงียใส ป่ามันก็มากินเนื้อมันก็ทิดเบ็ดเบ็ดก็ปากปากมันไวเฮาก็ดึงขึ้นมาแล้ววันนี้พอดึงขึ้นมาเฮาก็เอาแต่ป่าเนื้อเฮาก็เอาเอเฮาก็เอามาใส่ต่ออีกเฮาก็ได้ป่าหลายตัวอันนี้คือกั น, นเฮากาหนดเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่จินเฮาสงบ เอาความได้เอาลมหายใจแล้วเอาความส ง, งบพุ้นขั้นเหตุทางซี่ก็ถือต้องขั้นเภพทางซี่ก็มาถือปัญหาเอาแต่ความส ง, งบเอาความสบายเย็นใจสบายใจถ้าสบายใจอะไดก็เหตุนอนั้นเหตุทางสันหาใจเอาสบายเอาความสบายเป็นเป็นรัก คิดแล้วใจเฮาสบายนั่นแหละถูกแล้วใจเฮาวางความโลภความโกรธความหลงได้นั่นถือแล้วถ้าเฮาวางความโลภความโกรธความหลงว่าได้แม้นชีวิตทีวิเศษปันญาก็บรรทกต้องแม้นที่สอนเก่งปัญญาก็บรรทกถือต้องพอมันบรสามารถวางความโลภความโกรธความหลงได้ถ้าสามารถวางความโลภความโกรธความหลงได้อันถือต้อง เห็นที่บอกคำเดียวบอกข้อคำเดียวแต่ว่าข้อก็สามารถทำตามจนได้บรรลุมรควนนิพานได้อันนั้นแหละคือถึงต้องแท้อันนี้ <c oughs> โดยโดยพุทธวจนะพระเจ้าเคยบอกตรงนี้ว่าอินทรีย์เนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่จิตก็บอกว่าอินทรีย์เนี่ยคือลหมหายใจของเราเนี่ยนะจะทำให้เห็นจิตจิตเนี่ยจะทําให้จิตเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่สติแต่สติเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่วิมุติ แต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่อินทรีย์ไม่ใช่จิตไม่ใช่สติสิ่งที่เราต้องการคือวิมุตติมันนั่คือจิตที่สงบลงไปปล่อยวางได้เราต้องการไอที่วางตัวเองนี้ลมหายใจก็มีไม่มีก็โยกทิ้งไปก่อนคือหมายความว่ามันมีแค่ขั้นแรกเฉยๆนะพอมันคือปฏิบัติไปไงก็ต้องวางลมหายใจสติก็ต้องวางเหมือนกันนอาจารย์ครับน <c oughs> ท่านเมื่อกี้ได้ยินคําว่า อนั่งวิธีนั่งสมาธินะนั่งตรวจนั่งไปคู่บาลังแล้วก็กายตรงดํารงสติมั่นแล้วมีได้เงินคํานึง่งดำรงสติเฉพาะหน้าหรือว่าเอาจิตอยู่กับปัจจุบันนี่มันคือกันบว อ, อันเดียวกันนั่นแหละถึงแล้วอพอเแล้วก็นั่งเนี่ก็คู่บาลังตั้งกายตรงมีสติ ดำลงสติมั่นดำลงสติมั่นเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าอีกอันเดียวกันอันเดียวกันคือคือบาลีกลับไปดูแลอันเดียวกันอ่าคือบางคนแปลก็จะดำลงสติเฉพาะหน้าเอ้มันแปลว่าอะไรอ่าดำลงสติมั่นก็แล้วกันอย่างเงี้ยก็จะแล้วแต่จำนวนแปลแต่ละคนก็จะไทยออกมาแต่ภาษาบาลีคือคำเดียวกันคือคำว่าปริมุขขังดีโยดีโยนึกว่าสิบ่มีผู้สนใจที่สนอกบ พี่มีแต่แม่ป่านี่ผู้เดียวล้ะอันนี้ก็สนใจเต็มมดเลยสลาเราดีอยู่ดีลายอยู่เอาหนิมลหน่อยขอโอกาสอีกครั้งนหน่อยก็เรื่องที่เ่าเมื่อกี้ก็คือว่าเวลาเขาเขาดึงเข้าดึงลมให้ใจยาวๆเรากับการปล่อยปล่อยลมให้ใจแบบธรรมชาติเพื่อจะเอา เอาจิตไปฮูว่าเป็นข้อมันออกเนาะแั้เป็นคำาถามแล้วไปก็ก็อ่านมัสการ์ขอบใจทางพระอาจารย์มาที่ตอบให้ก็มีคำาถามเอกคำท่ามหนึ่งคือว่ามีอาจารย์บางบางองเนาะก็บอกว่าการนั่งสมาธิในเพียงได้เห่าตั้งตัวฮซื้อแล้วก็ตั้งสติเข้มันแล้วถ้ า, ากำหนดแนวคิดของเหาห้ดตามแนวคิดบ่คิดกันเออมึงก็ต้องคิด เราต้องคิดผ่านไปนี่แต่ว่าบางอาจารย์ก็บอกว่ามันคิดย่งกระซังให้ตามมันอให้ไล่มันไปเราจนกว่ามันจะไปยุดเรากับการที่เรานั่งสมาธิเรากําหนัดแต่หูแต่ลมให้จากเข้าออกซ่องอันนี้มันจะคือกันบอรหรือว่ามันจะได้พ่นคือกันบอขน่อยเพราะว่าบางครั้ง่าเวลาตามเรวคิดเทาไปเราข้างน้อยมักจะเป็นว่า ขึ้นยุนึ่แล้วมันจะกลับขึ้นมาเอคิดฮอตนี่เราเราอดีตเอามันเริ่มต้นมาอดีตท่านคิดยั่งตอนเริ่มต้นนั้นคิดเรื่องยั่งแล้วมาฮอดนี่จบเราพ้นมันกับการที่เอาฮู้แต่ลมให้เขาลมให้เธอเขาอ้อมันจะคือกันเรียบบอกพ้นคนที่ระหับเจากันอจะเดินสติหน่อยขอการพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้นะบอกว่าอเมื่อเราเนี่ย จะต้องเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตนะหายใจเข้าหายใจออกสมมติว่าไอความคิดนึกบ้านคนใกล้ตัวรต่างๆมันเป็นการปรุงแต่งของจิตแตนะ่พอมีการปรุงแต่งของจิตแตนะ่เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะคือครูบาอาจารย์ที่สาธุบอกนะคือถูกทั้งสององค์แหละท่านถูกทั้งสองค์แต่พูดคนละคนละตำแหน่งท่านนึนงพระพุทธเจ้าพูดไปครบถ้วนอยู่แล้วบอกว่าเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิต หายใจเข้าหายใจออกเพราะฉะนั้นการปรุงแต่งของจิตเราต้องรู้การคิดไปแล้วรู้ไปโอเคแล้วทำไงต่อทําการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจเข้าหายใจออกนะคือเราคือคนถ้าไม่รู้ปัญหานี่นะเขาแก้ไขไม่ได้แต่เราต้องรู้ก่อนว่าเรามีปัญหาอะไรเราถึงจะแก้ได้เพราะฉะเรารู้ว่าเรามีความคิดใช่ไ่มดีแล้วเราวางได้เพราะฉะนั้นพอเรารู้ความคิดเราต้องวางความคิดนั้นนะคือเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตการปรุงแต่งของจิตมีอะไรบ้าง โอไม่ใช่เรื่องความคิดอย่างเดียวนะบางทีเดี๋ยวมันเหมือนแบบตกเหวเหมือนลอยขึ้นเหมือนเอ็นหลังคันไปทั่วตัวทําไมมันหนักหนักแล้วก็ทําไมตัวเอน็นเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับหน้าตึงๆึงทำไมมันบางทีมันโบ๊ะโบเอ๊ะมันเป็นยังไงนี่คืออาการปรุงแต่งของจิต ท, ทั้งหมดเลยบางคนคันไปหมดทั้งตัว ท, ท, ท, ทั้งที่ไม่มีมดนี่นั่นคือการปรุงแต่งของจิตเราต้องรู้รู้เสร็จแล้วไงวางการทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับ ลมหายใจเข้าหายใจออกสั้นดรือยาวเอาค่อยกำหนดเบื้อง้ามันออกสั้นใจเข้าบอกค่อยเป็นสมาธิปัญญามันสิอบอดีปัญญาเอาก็ลองเบืมม้งความหายใจยาวดูเวลามันเข้ากรยาวเวลามันออกกระยาว ให้เห็นเข้าออกเข้าออกสั้นยาวอย่างสั้นให้เห็นยาวน่ะมันยาวมันเป็นยังไงสบายหรือว่าสบายก็ลองเหตุเบิ้งอันนี้หมายควากิดเขาเป็นสมาธิแล้วดิข้างแรกเนี่ยกำหนดรู้ซื้อกำหนดรู้ต่อมาให้กำหนดรู้ขึ้นไปอีกว่า ลมยาวเป็นยังไดลมสั้นเอลมยาวเข้ายาวเป็นยังใดออกยาวเป็นยังใดสบายบ่โอโบสบายโบสบายลองหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นดูเอาเฮ็ดได้บ่โอเฮ็ดได้อยู่เออเออก็รักษาไว้ลองเฮ็ดให้มันชานานให้มันชานานทั้งเข้าทั้งออกทั้งสั้นทั้งยาวเ่ย ให้มันชำนานถ้ามันชำนานแล้วเขาก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นจนสามารถรว่าอันนี้หลุดพน้นอันนี้ยังบทันหลุดพน้นเขาศ่ไปหมดทุกอย่างพอเขาคุมใหญ่เข้าได้แล้วเดี๋ยถ้าใจเขาฟุ้ซ่านอยู่เขาีร่ยสามารถรู้ได้เลยว่าใจเข้านี่เป็ดยังไงเอาสิรูกว่าได้ อันนี้มันลึกนะมันละเอียดนะมันลึกมันละเอียดเข้าใจบอเอา้ามีอย่างก็ถทำอีกโดยน้อมนมัสการข้น้อยข้น้อยมีคำท่ามทามท่ามคืนคําพระอาจารย์ภับุญว่าเมื่อกี้เนาะจิตเรนไปอินรียอินทรียเรนไปสติสติเรนไปทึ่งวีมุตดอันนี้อยากให้พระอาจารย์อธิบายตืมให้ข้น้อยแจงตืมเลยขะน้อย อินซีเป็นที่เล่นไปสู่จิตจิตเป็นที่เล่นไปสู่สติสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตต์ครูชาติบอกนี้อินรีย์เป็นที่เล่นไปสู่จิตจิตเป็นที่เล่นไปสู่สติสติเป็นที่เล่นไปสู่วิมุติอินทรียเนี่ยหมายถึงไม่ใช่ไม่ใช่ปลาอินรียนะหรือนกอินรีนะอินรีเนี่ยหมายถึงความเป็นใหญ่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดเนี่ยคืออินรียในอินรีย์สมมุติว่า เราเห็นรูปอย่างเงี้ยเราจะได้ยินเสียงอย่างเงี้ยคือบางทีกายเนี่ยเราสัมผัสถึงความสัส่นสะเทือนเราก็รู้ว่าเสียงดังเสียงค่อยแต่เราจะไม่รู้ว่าเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงหรือเสียงเป็นภาษาอะไรเสียงภาษาลาวภาษาไทายอะไรจะไม่รู้ต้องหูเท่านั้นถึงจะรู้กายจะมารู้ไม่ได้แต่เพราะฉะนั้นหูจึงเป็นใหญ่ในการได้ยินเสียงนะหรือว่าตาอย่างเงี้ยตาจะมาดูอาหารเราจะว่าเอ้ยมันเผ็ดหรือมันไม่เผ็ดโอ้ยมันสู้ลิ้นไม่ได้หรอกลิ้นแตะดูเนี่ยจะเผ็ด รู้ว่าเผ็ดพริกไทยหรือเผ็ดพริกแกงหรือว่าเผ็ดพริกชี้ฟ้าจะบอกได้แต่ตาก็ดูได้เฉยบางทีดูเผ็ดๆนี่ชิมจริงๆอาจจะไม่เผ็ดเพราะฉะนั้นลิ้นจึงเป็นใหญ่ในการริมรสไม่ใช่ตาแต่เพราะฉะนั้นตาจะเป็นใหญ่ในการเห็นรูปอ่าพวกนี้คืออินทรีย์แต่ว่าเราจะไปรับรู้ตรงนี้ได้เนี่ยต้องจิตเข้าไปรับรู้สมมุติว่าบางทีเรานั่งอ่านหนังสืออยู่มาตอนเด็กๆอ่านหนังสืออยู่เนี่ยนะเต็มสอบอย่างเงี้ยแม่มาเรียกเรียกทั้งสครั้ง3ครั้งเราไม่ได้ยิน เพราว่าจิตเราอยู่กับหนังสือนะคือหูมีไหมมีเสียงมีไหมมีกระทบกันอยู่ใช่กระทบอยู่แต่จิตเราไม่ไปรับรู้ก็ไม่ได้ยินนึกออกไหมจนกระทั่งจิตเราเข้าไปรับรู้เราถึงได้ยินเสียงนั้นนะคืออินทรีย์ทั้งหมดจะแล่นมารวมอยู่ที่จิตจะมารับรู้ได้ต้องมีจิตเข้าไปรับรู้นะคืออย่างสมมติก็เห็นคนที่เขานอนอยู่โรงพยาบาล น, น่ะแล้วก็เป็นเจ้าชายนิตราไม่ไหวติงอนะอ่าคือเขาก็ มีตาหูจมูก ล, ลิ้นกายใจสมบูรณ์ดีแต่ว่าจิตเขาไปแล้วอย่างเงี้ยก็ก็ไม่อยู่แล้วเพรา ะ, ะนั้นไม่มีจิตก็จึงไม่รับรู้แต่นี้ว่าใ น, ในกรณีเนี้ยคืออินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะแล่นไปสู่จิตและจิตจะรับรู้ได้อันนี้ที่พระเจ้าหมายถึงนี้นะแล้วจิตเนี่ยถ้าเราไม่มีที่ตั้งในการระลึกถึงจิตก็จะถูกดึงไปตามอินทรีย์ที่มันพุ่งเข้ามาพอมันมาเสร็จปุ๊บสมมตุติเสียงได้ยินมาปุ๊บอ้าวเป็นเสียงดา่าด่าเสร็จปุ๊บเรากโกรธอ้ามันดึงจิตเราไปแล้ว เราด่ากลับนี่คือมันจิตเราแตกแล้วมันจะดึงจิตต่อไปเพราะฉะนั้นจิตเราต้องมีสติกํากับอยู่พรูชาญยังบอกว่าจิตเนี่ยเป็นที่แหลมเปสุ่สติหมาว่าสติกับจิตไม่ต้องอยู่ด้วยกันอาการที่จิตมาระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาการระลึกถึงเนี่ยคือสติและสติเนี่ยแปลว่าระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแปลนั่นได้เพราะนนั้สมมติเราแทนที่เราจะให้จิตเราไปตามที่โน้นที่เรานึกถึงลงหาใจซะเราให้จิตไปตามคิดเรื่องนั้นนี่ เ, เราให้จิตเรามานึกถึงลงหาใจซะ การระลึกถึงนึกถึงตรงเนี้ยคือจิตมีสติแตสติตรงนี้แหละจะทําให้จิตเนี่ยทำวิมุติให้แจงได้เองเพราะอะไรเพราะว่าสติเนี่ยจะทําให้เกิดโพชฌงเจตสติปัฏฐาน4อันบุคคลเจริญแล้วจะทําให้โพชฌงเจริญได้โพชฌงทั้ง7จอันบุคคลเจริญแล้วจะทำให้วิมุตเจริญได้เพระนั้นสติจึงเป็นที่แล่นไปสู่วิมุติอย่างนี้อันนี้เป็นหลักการเฉยๆถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆเราทําไงยง่ายมากดึลงลมหายใจ ง่ายจริงๆบางคนกำลไปคิดว่าอยดูหลวงพ่อใจนี่ทางไปวิน ม, มูส ม, มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอเออง่ายแค่นี้แหละหลวงพ่อใจไม่ยากเลยคือจะหลวงพ่าพเคยบอกว่าไงถ้าทําผิดเนี่ยยากมากถ้าทําถูกไม่ยากถ้าไม่ถูกยากมากมันยากกว่าในหนุอยากวอเส้นผมบางภูเขาอมันเอาออกแปบ๊บเดียวง่ายขนเอาหูนะ พอหู้เนเส้นผมบงผังภูเขาแป๊บเดียวเอาออกได้แล้วแต่ถ้าเอาบัวหู้คุดไปจนลอดภูเขาไปเห็นเส้นผมของเขาเจ้าของทางพุ่นซียากเหเอยากกว่านั้นละ่ะอาทิตย์โเป็นอาเิตยเป็นแล้วสาเส้นผมบงังบังตาเอาเอาออกได้แปบ๊บเดียวเห็นแล้วเห็นภูเขาแล้วแต่ ว, ว่าวันนี้เอาเส้นผมของเขาเนี่ไปว้ายทางภูเขาทางพุ้น ขุดไปแต่พี่ไปหอดภูเขาพุน้นฝังสิให้ไปพ่อเส้นผมชาวพุน้นมันยากบอส่วนสิขุดเจาะไปหอดภูนยากยา ก, ยากนี่ก็เอาบอกเข้าใจแนวปฏิบัติถ้าเขาเข้าใจแล้วง่ายมุตเดียวเออยากบอกง่ายก็คอยเบริ่งลมท่านลนะคันเบริ่งลมแล้วสบายลถเอ่อลมหายไปแล้วเขาก็จับความรู้ไว้รู้ว่าพวลมมีลม พอเรารู้ว่าวามีลมใจเขาก็สบายแล้ววันนี้เขาสบายจิตเขาสบายก็ค อ, อยกำหนดรูกความสบายนั้นไว้นันสีละค่ะคนยข้อนอมัตสการพาาระจันทรุปุกพระองค์และคณอ ย, ยักข้อท่ามพ น, นันว่าเวลาปฏิบัติเวลาเดินจมกรมจะจะเอาสติ ไปตั้งอยู่ลมหายใจหรือไปตั้งอยู่ตีนคะน้อยเล็กๆเขามันกำหนดบ่ได้เอาไว้ลมหายใจสก้อนันสติอยู่กับลมหายใจเขาก้าวขาไปเมือนตาน้าเดือละ่ะเออมือนตาน้ํายางไปเขาก็เอาสติไว้ที่ลมก้อนพอมันเปินสมาธิแล้วนี่มันสะเห็นบ่าทอดตีนทอดทุกส่วน เหม็นยางไปแล้วหัวยางแล้วก็ห้ว่าลมออกเข้าเอาสิหู้ซัดเลยแต่ถ้าเอาเดินไปนี่ถ้าเอาไปไว้ตีนเอาไปไว้ขานี่เวลากินเท่าสงบสงบแล้วนี่ขาันฏิพันธ์กันมันสิลม้มขาเอาไว้ลมหายใจมันบวมแต่เอารูลมหายใจซัดเย็นดีแล้วเป็นสมาธิแล้ว เอาสิหูเห็นไปจนหอดตีนเลยยังไปได้สบายอันนี้คือหลักมันแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้เคยปฏิบัติมากับหลวงปูเทศแต่ก่อนเออเลยเอเอขน้อยฮันอา น, นามีแต่มักเอาสติไปจับยุตีนแล้ว <laughs> แล้วก็มันบได้ติดตามลมหายใจกัน้อนมันมันสงบยากสัวโดยเออ ท่นเอาไว้ที่จมูกโฉบ ง, ง่ายขึ้นพอเป็นสมาธิแล้วเฮาเสียนวัดเลยเห็นว่าตัวเฮาหรือเฮาอย่างเฮาเสือหู้ไปว่าหูดกาดก้าวกาดอย่างหู้วัดหู้วัดตัวแนวโดยกับอเวลาเก็บเก็บสติเก็บมือนี่นะก็เมื่นกันขะนวยวะมื่นกันเมื่นกันทําทําคือกันขะนวยโดย เขานั่งแบบที่ว่าเอามือวางไว้บนตักกับเดินจุกรมก็แยกขกันนั่นแ่ะเดินจงกรมอันจังใจนะอันเก็บสตินี้อันเวลาเวลาจะหยุบมือเข้าอกจังใีไหนอ๋อบ่เรต้องป่านนั่นดอกด้วยข้อข้ออภรณ์อธิบายให้แจงให้คนอยเด้อเอาอันนี้เป็นเป็นพุทธศนะที่พระเช้าบอกถึงว่าถ้าเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่ ถ้านั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่ถ้านอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่ถ้ายืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่เธอรู้ชัดซึ่งเรียบทใดที่เธอทำอยู่ก็รู้อันนั้นคือเรียบทนะคือหมายความว่าเราเดินไปไหนทำอะไรเราเรารู้ตัวของเราได้หมดคือ <c oughs> พระเจ้าพูดถึงลมหายใจเนี่ยให้เป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่แล้วนะคว่าเครื่องอยู่เนี่ยหมายถึงบ้านนะสมมติเรามาไปไหนมาไหนเราก็กลับมาบ้าน ไปเที่ยวต่างประเทศทเที่ยวต่างจังหวัดไปเมืองนั้นเมืองนี้เดี๋ยวก็กลับมาบ้านนะคือจิตของเราเนี่ยบางทีมันไปคิดนั่นทนํานี่เอาไม่ป็นไรให้เขากลับมาบ้านแต่บางทีเราไปมีเอ่อระลึกถึงอิริเบตต่างๆาก็ให้เขากลับมาบ้านคือที่ลมหายใจเพราะนั้นถ้าจะพูดถึงพุทธวจนะที่จะสอดคล้องกับวิธีนั้นเนี่ยก็คือมีอิริบทก้าอย่ากอะไรต่างๆมีสติรู้ตัวหมดนะกินดื่มพูดคิดมีสติรู้ตัวหมดนะสมผ้าเข้าอาบน้ําเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะมีสติรู้ตัวหมดอันนี้ใช่ เข้าใจระวบบันน um, ี้เออน้มนมัสการพระอาจารย์ไล่แล้วก็พระนาคือว่าแบบว่านั่งนั่งอยู่แล้วบันนี้นี่ก็หัวแบบว่าลมหายใจเข้าออกนะแล้วบันนี้นี่คันท่าว่าก็อมันกระหักมีมีแบบว่า คิดมันแวบไปคือว่าแวบว่าอันไปอันทางหลังแล้วก็มู้ผู้ว่ามันเป็นสัญญามันเกิดขึ้นแล้วกระดับแบบนั้นแล้วะดมันก็มาหากายอีกแล้วจากนั้นพระว่าอันแวบไปทางอนาคตมันไปปรุงแต่งแล้วสําคัญนะแล้วก็ผู้ผู้แล้วก็กลับมากลับมาแล้วก็มาเบิ้งมาอยู่ที่กายนี้แนวนั้นอยู่ตลอดแล้วก็อันแต่อันมัน เกิดข well ึ้นมาเนี so kind of ror, so mm ่ยคันถ้าว่าประเมินกมะ맨อันย pues ุทธิกายในการอีแมนแบบว่า70็ดสิเอร์เซ็แล้วกสมสิบเปอร์เซ็นตนัมันมันเป็นอันมันต้องประยุนําอดีตและกาอันอนาคตแบบว่าก็มันก็บรแบบว่ามันแวบไปแวบมาแบบนี้นะมันมันบ่ได้ว่าจะยุดนแล้วกับ่ได้นั่นแบบนี้นี่มันจะเถื่อว่วิธีการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติก็คือว่าให้เรามีสติอยู่ในลมหายใจ คือมันจะจะมีความคิดอดีตอนาคตบ้างก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้เราะระลึกถึงคือพอมันไปคิดถึงอดีตปุ๊บโ อ, โอ้ฉันต้องรู้ตัวไม่ใช่ลับปุ๊บกลับมาไปคิดถึงอนาคตคิดไปห้านาทีสิบนาทีโ อ, โอ้ฉันต้องรู้ลมไม่ใช่รับกลับมาบางคนนะนั่งสมาธิหกสิบนาทีอย์รู้ลมหายใจจริจริงหนึ่งนาทีอีกห้าสิบเก้านาทีนี่ไปทั่วเลยบ้าบออะไรไปหมดเลยจนกระทั่งหนึ่งนาทีนะั่นเองที่ทําได้โอ้ยดีแล้วดีแล้ว ออเอเ อ, เอนั่นแหละกี่นาทีก็ดีมากเลยพอเราทําได้ทําได้เนี่ยไอย้ประวงังเราระลึกถึงลมหายใจของเราได้เมื่อไหร่นะสิ่งนั้นวางลงไปเราระลึกถึงลมหายใจปุ๊บอันนี้มันตับไปแล้วนะจิตเราจะมีกําลังขึ้นหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันไปคิดอีกอนึกได้แล้วเออฉันต้องมานรูลมหายใจวางปุ๊บแล้วรู้ลมหายใจปุ๊บจิเราจะมีกำลังขึ้นหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันไปคิดอีกวางปุ๊บระลึกได้นะไปคิดอีกสองนาทีวางปุ๊บมานึกถึงลมหายใจได้อีก จิตเราจะค่อยมีกําลังขึ้นกําลังขึ้นกําลังขึ้นหลัจากที่เรารู้ถึงลมหายใจได้แค่50นาทีมันจะค่อยๆยืดออกยืดออกนะไอ้ที่คิดนั่นคิดนี่จาก55นาทีจะค่อยๆหดลงหดลงหดลงคือมันเหมือนกับเล่นชักเยร์กันนะเรามีกําลังมากขึ้นจิตเร า, าก็สั่งเราสั่งเราสั่งได้มากขึ้นแต่เพราะว่าจิตเราเนี่ยมันมันมันถูกดึงไปมากมันฝึกมาให้คิดฝึกมาให้อะไรอยู่ตลอดเวลาแต่เราฝึกให้จิตเราไม่ต้องคิดบารนี้ พอฝึกให้จิตเราไม่ต้องคิดอยู่ๆจิตมันไม่เคยอมันยังไม่มีกำลังอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องถูกดึงไปธรรมดาแต่เพราะฉนั้นวิธีที่ถูกเนี่ยคือคิดหรือไม่คิดไม่เป็นไรแต่เราให้เราระลึกถึงลมหายใจแต่พอคนพอคนส่วนใหญ่ที่ค่อยเป็นอย่างนี้พอเขานึกถึงลมหายใจไม่ได้เขาจะว้ายฉันทําไม่ได้ฉันแย่แล้วฉันมันบุญน้อยวาสนาน้อยฉันมันหนาเอ้าคุณคิดอย่างนี้ยิ่งไม่ได้เลยคิดอย่างนี้ไม่ถูกเพราะเป็นการคิดว่าตัวเองบุญน้อยวาสนาน้อยนี่ยิ่งไม่ถูก ยิ่งเป็นเครื่องกางกันอย่างหนึ่งเป็นนิวรอย่างหนึ่งยิ่งจะทําให้จิตไม่เป็นสมาธิไอ้ความคิดนั้นก็วางด้วยอแล้วมาอยู่ที่ลมหายใจของเราต่อเนื่องไปต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องไม่เมไป็นไรให้เราลึกถึงให้ได้คือพยายามทําให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองอนะเข้าใจบ๊อสเข้าใจเลยทนในขอนอมนกกามสกันอาจารย์ทนายเนาะทนะนมีคำท่ามหนึ่งคือว่า การที่หู้อยู่ในอันอยู่ในลมหายใจขณะนั้ะนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับการที่เห่าหู้ในหูทันในทางอินทรีย์ใดๆได้ขณะนั้นการที่เห่าอยู่ในลมหายหู้อยู่ในศึกอยู่ในลมหายใจในปัจจุบันขณะนั้นแล้วมันจะมันจะเกี่ยวข้องในกับกันที่เขาจะไปหู้ในหูตาดังลิ้นกายใจคือมันตายให้หูแล้วมันหูสึกเหนเต้นเต้ในนั้นเขาอยู่ในหูอยู่ในลมหายใจเบิ่งแต่หูคล้องคล้องลมอยู่ขณะนัน แต่ตาเพียงแต่จะจะใช้วิธีได้จะให้อ า, หาอาจารย์อธิบายให้ว่าคันท่าเหาอยู่ในอินทรีย์เนาะช่วงที่เหาอยู่ในลมหายใจจะกลับมาหาอินทรียนั้นจะกลับได้แบบได้ขนา อ, อไม่ออกเคยดูหนังไหมดูหนังอะนะดูหนังภาพยนตร์อนะนะดูหนังเนี่ยถ้าถามว่าตาเห็นรูปด้วยไหมเห็นที่เขาเล่นอยู่บนหนังอะนะแล้วหูได้ยินเสียงด้วยไหมได้ยินไปพร้อมกันถูกไหมไม่ได้ว่า เ, ออเดี๋ยวยินเดี๋ยวหูดับเดี๋ยว ตาดับหูได้ยินไม่ใช่กันนะคือตากับหูได้ยินไปพร้อมๆกันถูกไหมแล้วถามว่าใจเนี่ยยังคิดเนื้อเรื่องไปพร้อมๆกันด้วยไหมเป็นถูกไหมสามอย่างเนี่ยเป็นเหมือนไปพร้อมๆกันเลยถูกไหมเอ อ, เออนั่นแหละเข้าใจไหมเข้าใจว่เห็นตาเห็นหูได้ยินอย่างลู่ลมหายใจนําถือต้องวิสถูกไหมถูกอ่ะ เข้าใจป่ะครับเอ า, อางี้อธิบายเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มอีก <c oughs> คือหมายความว่าเข้าใจคําถามอย่างนี้นะว่าสมมุติว่าเรามารับรู้สัมผัสแล้วเนี่ยประเด็นที่เราต้องมามีสติอยู่กับลมหายใจก็คือว่าเวลาเรารับสัมผัส์ปุ๊บมันจะทําให้เราจี๊ดมันจะทำให้เราโกรธนี่แหละเราต้องหยุดเข้าใจไหมเวลาเรารับรู้ถึงสัมผัสแล้วเห็นโทรศัพท์เครื่องนี้โอ้โหไอโฟนห้า ยังไม่ออกเลยขอซื้อมันมีความอยากใช่ไหมอันนี้เราต้องหยุดให้จิตเรามาอยู่กับลมหายใจเข้าใจ ไ, ใไหมคือห้ามสิ่งที่เป็นอกุศลให้กุศลธรรมเข้าได้สิ่งที่เป็นอกุศลห้ามเหมือนน า, ายทวารเปิดประตูนะตามอาคารสถานที่ต่างเนี่ยราชการโรงแรมโรงเรียนเขาจะมีป้อมยามอยู่ไหมบอสป้อมยามเนี่ยในตำรวจหรือว่ายานเนี่ยเขาจะต้องคอยระวังไม่ให้คนที่ไม่รู้จักเข้าคนไม่มีบัตรคนเป็นคนนอกห้ามเข้า คนที่มีบาดคนที่เป็นคนภายในเข้าได้นะทีนี้บางทียา ม, มันหลับเลยามหลับทําไงเข้าออกกันสบายเลยไปอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีลมหายใจมีสติเนี่ยเป็นยามระวังจิตของเราแต่ถ้าสติเราเผลอเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวอกุศลทาเข้าได้เพราะนั้นให้เราสติเราอยู่ที่ไหนให้จิตเราเนี่ยอยู่กับลมหายใจอาการที่จิตอยู่กับลมหายใจนั่นคือมีสติแล้วมีสติป้องกันอินทรีย์ ใช่หมีมสติป้องกันอินทรียถ้าจิตเราอยู่กับลมหายใจเรามีสติป้องกันอินทรียทีนี้แรกๆเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าโอ้โหดูไปด้วยทํางานไปด้วยรู้ลมหายใจไปด้วยมันจะทำได้ไงใครในที่นี้ขับรถเป็นบ้างหลายๆคนขับรถเป็นกลางขับรถเป็นตอนฝึกขับรถครั้งแรกๆอ่ะเรามาจำได้ๆตอนอายุ12ขวบอ่ะคนงานที่บ้านเขามาฝึกขับรถให้เราขับรถเนี่ยนะโอ้โหใส่เกียร์ด้วย เหยียบคราชด้วยเหยียบคันเร่งด้วยดูกระจกด้วยสาบานมือต้องหมุนพวมอะไรแล้วใจต้องยังคิดว่าไปทางไหนอีกนะโอมันแทบจะทําไม่ได้เลยนะแต่พอเราขับไปปีสองปีขึ้นสะพานออกถนนใหญ่ไปคนเดียวไปทางไกลโอ้ยสบายเลยนะขับรถได้มือถือโซ่สัมผัมือถือไปด้วยปากพูดกับคนข้างๆใจก็คิดว่าจะต้องไปทางไหนดูกระจกสามบานด่าคนอื่นไปด้วยพร้อมกันได้หมดโอมันทําได้ด้ ว, วะ่ะ นี่หรอเปล่มันอยู่ที่ความชํานาญของเราว่าจิตเราจะต้องมีสติอยู่กับลมหายใจให้จิตมีสตินะและสติตัวนี้จะเป็นคอยป้องกันตาหูจมูกลิ้นกายของเราได้ใจของเราได้แม่ให้ไปคิดเรื่องบ้าๆบอๆอย่างนี้นะคือการปฏิบัติธรรมนี่นะต้องทําให้เป็นธรรมชาตินะคือบางคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างนี้ใช่ป่ะกลับไปบ้านเสร็จปุ๊บเอา้าทำํำไมเดินตัวแข็งๆแล้วก็ทําหน้าตาแบบซื่อๆตาแบบแข็งเก๊กเด็กอย่างนี้นะ โอ้ยมันไม่เป็นธรรมชาติแต่การปฏิบัติธรรมะเนี่ยเป็นธรรมชาติก็้าใจไหมธรรมชาติแบบคือเราให้ทําเหมือนเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับใจไม่ต้องคือจิตเราเนี่ยบังคับจิตหมายกําว่าบังคับไม่ให้มันไม่คิดเนี่ยมันก็จะปวดหัวบังคับลมหายใจให้สั้นให้ยาวเราก็จะหายใจติดขัดแล้วมันจะเป็นการฝืนนะเราก็ไม่ใช่บังคับขู่เข็นจิตอย่างนั้นจิตเนี่ยพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับนกกระจาบแต่ถ้าเราจับมันแรงเกินไปบังคับมันเนี่ยมันเหมือนกันก็จะตาย แต่ถ้าเราปล่อยมันหละหลวมเกินไปมันก็จะหนีไปได้นะคือจับเนี่ยไม่ใช่จับแน่นจนเกรงเราก็จะแบบประพฤติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มีกายเครียดคับเกินไปแต่ถ้าปล่อยหละหลวมเกินไปคุณก็ทําผิดน่นผิดนี่บ้าบอไม่ได้ต้องควบคุมบ้างเนื้นอปะคือการควบคุมตรงนี้คือการลักษณะการที่ว่าให้มีส ต, ติให้มีสติคือการที่เราควบคุมตรงนี้ไม่ใช่ว่ า, าให้เกรงจนเกินไปเครียดคับเกินไปก็ไม่ใช่หละหลวมเกินไป บ้าๆ บ, บ, บอกก็ไม่ได้อย่างนี้นะคือธรรมะเนี่ยมันต้องเป็นเหมือนกับวิธีชีวิตของเราะอะทําให้เป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่บ้านคุณก็ทําได้ไปไหนคุณก็ต้องทําได้ให้เป็นธรรมชาติธรรมดาถึงจะเป็นเป็นธรรมชาติธรรมดานะถึงเป็นวิธีที่ถูกเป็นมัชมัชนี่เป็นพื้นฐานคือเราดําเนินชีวิตอย่างนี้เราดําเนินชีวิตอย่างนี้เลยนึกออกไหมไม่ใช่เฉพาะเวลาที่มาวัดหรือไม่ใช่เฉพาะเวลาที่สวดมน แต่ทํางนี้ให้เป็นวิถีชีวิตของเราใช่ไหมเป็นวิถีชีวิตเป็นเป็นทางดําเนินอะ่ะออืบางท่านเถอะคือมันก็ต้องอาศัยการฝึกให้ชํานาญนะทําไปค่อยๆทําไปแต่วิธีการก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะลมลมหายใจของเราเนี่ยนะไม่เคยห่างจากเราเลยแม้แต่สักวินาทีเดียวตอนตอนดําน้ําอยู่เราก็ยังจะต้องมีเครื่องช่วยหายใจอยู่ดีอ่านะเพราะฉะนั้นเราก็ มารู้ตรงนี้ได้อยู่เรื่อยคืออมาว่าเป็นวิธีการปฏิบัติที่ที่ดีมากพระเจ้าก็ก็บอกนีเหมือนกันเป็นวิธีที่พระองค์ก็ใช้แล้วก็เป็นวิธีที่เ อ, อกายก็จะไม่ลำบากตาก็จะไม่ลำบากเข้าใจบออะไรบอรเข้าใจทางใดก็ให้ยกมือขึ้นเอาไม้ไปให้ พระอาจารย์เมื่อกี้มีคนยักผ่ามอ า, อ า, า อ, อาจารย์มัออพ น, นพระอาจารย์เมยบอกยันเป็นห่วงพระอาจารย์เหมือย์โอ้โบเมอยแล้วเอไมอ่มเห็นหน้าพี่น้องเห็นภูเขาแล้วก็บอกเมอยเลยบอกเมอยล์ลวสิศท่านแต่ว่าเก็บกันแล้วเ น, <c oughs> นี่ยปาทายเลยเก็บกันแต่ว่าบบเมย์หมดมือก็ได้ครั้นี้ผู้ซ้อยต่อบก็สิสบายใจแล้ว ผมเอ้ยเอาบเบอด์มือก็ได้มือนี้หิวเข้าวเหรอยังยมันได้จากโมงแล้วอ๋อไปได้ไปได้ไไดเออบ่บอ่บ อ, อยากกินข้าวบ่เอบอบ่อยากก็ถามตัวรถอ่าขอาขอน้อยขอนอนน ม, มัสการพระอาจารย์เนาะบ่าว ขน้อยมีคํำถามอยากจะท้ามว่าการปฏิบัติเรื่องเงินการรีกเลนที่พานาจาย์ได้อามาเผยแผ่นี้แต่ถ้าหากว่าขน้อยบ่มีโอกาสหรือว่าบ่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติในสํานักขน้อยอยากจะท้ามว่าสถานที่ที่เราจะปฏิบัตินั้นยกตัวอย่างคือขน้อยอยู่ในสํานักวัด ขน้อยยากจะปฏิบัติช่วงระยะเวลาได้หนึ่งนั้นขน้อยสามารถเหตไดบอ่อโดยที่ว่าบเว้านำเพื่หรัวบกุยนำเพื่นั้นบว้าจานําเพาื่นั้นหรือว่าอยู่ในสำนักวัดเดียวกันขน้อยสามารถเหตได้บอ่ออันนี้ขน้อยยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายให้ขน้อยออสามารถทําได้นะคือการหลีกเล้นเนี่ยเป็นสิ่งดีสิ่งที่ทํา ทีนี้ว่าก่อนทำเนี่ยพระเจ้าเคยพูดถึงเรื่องมุกขวัตคือการสมาทานการไม่พูดเนี่ยก็จะต้องมีการตกลงกันก่อนคือหมายความว่าอยู่ๆปุ๊บเราตื่นช้ามาเออฉันไม่พูดหรอกวันนี้แต่เขาจะหาว่าเราบ้านะคือหมายความว่าเราก็ตกลงกันก่อนนะว่าอาตอนนี้จะทํานะาให้ทุกคนอยู่ง่ายๆเงียงบๆนะมีอะไรก็ไม่รู้สึกสารกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือตกลงกันก็สามารถทําได้อยู่ที่ไหนทําได้หมดเลยเ เพียงแต่ว่าให้ให้เราปฏิบัติตามคำสอนผู้รู้เช่าในเรื่องของข้อปฏิบัตินี้เท่านั้นเองแต่มันก็จะมีแง่มุมว่าออนอกจากไม่พูดแล้วทีนี้ถ้ามันมีเหตุการณ์ต้องสื่อสารจะทำยังไงตรงนี้เราต้องคิดแก้ปัญหาก่อนแต่เพราะเราต้องอาจจะต้องมีระบบระเบียบตกลงกันให้แน่ก่อนว่าเอากินข้าเวลาไหนทําอะไรบ้างมันจะได้ไม่ต้องพูดกันอย่างเงี้ยอันนี้เป็นปัญหาที่ว่าถ้าทําทําไปก็จะเจอแล้วก็ค่อ ย, ค, อ ย, ค, อยคิดแก้ไขไปกันก็ได้เกิะมามีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครสํานักไหน ที่สามารถทําได้ทําเลยดีมากนะเนื่องการดิกรเรนเรื่องการปฏิบัตินะคือคือจะสามารถปฏิบัติได้อยู่ที่ไหนก็ได้นะแล้วก็ถ้าสิ่งที่เป็นคําสอนพระเจ้าเนี่ยมันเผยแผ่ไปอย่างถูกต้องเนี่ยนะโอ้ยิ่งไปไกลเท่าไหร่ยิ่งดีแตนะ่พระเจ้าเคยพูดถึงสิ่งที่เมื่อเปิดเผยแล้วจะยิ่งเจริญเนี่ยนะคือเปรียบเทียบกับสิ่งที่เมื่อปิดแล้วไว้จะยิ่งเจริญคือสมมติความสัมพันธ์ คือมนของพวกพราหมณ์เนี่ยพระเจ้าบอกยิ่งปิดเนี่ยยิ่งทำกัน ique, ลับๆล <the> ึกๆลับๆเนี่ยยิ่งเจริญสมมติท่องบทบทมนอะไรของพวกพราหมณ์ที่เขาทากันพิธีกรรมอะไรพวกนี้ยิ่งทําอย่างลับๆเนี่ยยิ่งเจริญหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงผู้ชายความสัมพันธ์ระหว่างชู้สาวเนี่ยยิ่งทํากันอย่างลับๆเนี่ยยิ่งเจริญนะมิจฉาทิฐิเนี่ยถ้าทําอย่างลับๆยิ่งเจริญแต่สิ่งที่ถ้าทำอย่างเปิดเผยแล้วยิ่งเจริญมีอยู่3าอย่างคือดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ ถ้ามันเปิดเผยแล้วยิ่งสว่างยิ่งเจริญก็อย่างที่สามคือธรรมะธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วยิ่งเปิดเผยนี่ยิ่งเจริญไปถ้าเราเปิดเผยธรรมออกมาได้มากๆทุกคนปฏิบัติตามมากๆยิ่งเจริญแล้วเราจะยิ่งยิ่งดีกันอนะโลกก็จะยิ่งเป็นไปด้วยความสวยงามได้เข้าใจบอสถ้าสงสัยให้ถามรถพระอาจารย์ถ้าหนอยจะท่ามเพลินลาปฏิบัติ อันทำในยูซ่ากระไดเร็วโบอาธิฐานมันยั้งโบหรือว่าบอกแต่ผู้รลบค้างว่าปฏิบัติธรรมเรจะสูมมาปากมาว่าเ <c oughs> อาแต่เล็บนั้นขน่อยอ๋ออืมอคําว่าอธิฐานเนี่ยนะอธิฐานอธิษฐานเนี่ยหมายความว่าอะไรเอาอธิษฐานเนี่ยเป็นภาษาที่พระเจ้าใช้เหมือนกันพระเจ้าใช้อธิษฐานเนี่ยอธิฐานเป็นภาษาบาลีนะ แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลว่าการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำว่าอธิษฐานเนี่ยแปลว่าการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมมติเราบอกว่าเราอธิษฐานมากฉันจะถือศีลห้าทุกโต๊ะไปเลยอธิษฐานเลยก็คือการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักษาไม่ผิดปณิการไม่กล้กล่าวเท็จไม่ดื่มสุราไม่ไร ก็คือการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีนี้ถามว่าคุณด้วยกิริยาอย่างไรเราถึงจะเรียกว่าการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่ท uh. ําสิ่งใดสิ่งหนึ่งถามว่าการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเพราะเราต้องตั้งใจแต่มัจะพูดหรือจะไม่พูดได้ทั้งนั้นแหละแล้วแต่ก็แล้วแต่ตกลงกันจะพูดหรือจะไม่พูดก็ได้แต่ต้องอยู่ที่ใจใจเราต้องมีกําลังแต่พระเจ้าเคยพูดถึงการทําความเพียรอย่างหนึ่งคืออความมเพีียยท่่ไถกลับ คือไม่สําเร็จไม่เลิกกลางคันคืออย่างสมมติบางคนเนี่ยคิดว่าฉันจะทำอะไรนี้สักอย่างหนึง่งจะสร้างบ้านสักหลังหนึง่งทําไปก็แก๊แกฝนตกเลิกอ้าวอย่างนี้ไม่ถูกคือคือไม่สําเร็จไม่เลิกกลางคันอย่างนี้นะอันนี้เป็นความเพียนแบบหนึ่งกัน ต, ต้องใสยการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้านในการที่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างนี้ ค, คืออธิษฐานนี่แหละคืออธิษฐานเพราะะฉนั้นกิริยาในการอธิษฐาน แต่ถ้าคุณจะพูดแล้วคุณจะสบายใจคุณก็พูดซะถ้าคุณจะไม่พูดแล้วคุณจะสบายใจคุณไม่ต้องพูดก็ได้แต่มันอยู่ที่ใจอย่างเงี้ยนะอ่ะะอะาอ า, าจารย์เดิศอาจารย์บอดูดีดมันอ่านามสกัอาจารย์ยักษาถเคยได้ยินคำว่ามหาประเทศสี่นะเนะพราะว่าอันนี้เป็นย่างไฟถามเพราะว่าพอ่าพอใี่ว่า มหาประเทศสีนี้แมนหลักการในการที่จะเอาคำาว้าข้องผูใ้ใดผู้หนึ่งมาส้มเทียว่าแมนคำสร้างข้องพุทธเจ้าแทบบลเพื่อเป็นพุทธวจนะแทบบลเพราะนั้นเคยได้ยินพระสูตรตัวหนึ่งพันบอก ว, วา่าเพราะพันว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นทรัพย์ทันูองเดียวเท่านั้นเรื่องนั้นแม่นอัลหันกยะมีวิมุติเข้ากับพระพุทธเจ้ากยะาแต่ว่าเป็นมนัคันอุคาเป็นผู้เดินตามพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาพันว่ายั่งมา พอาเสื้อ1ร0ยอประตก็ได้ต้องเอามาฝึกก่อนแล้วมีพ้าชุดตัวหนึ่งใครใครฝั่งได้นอกชุดต่างๆเราได้ที่เป็นที่กบีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำ เ, เป็นคห้อยกรองประเภทกรอบก่อนเป็นคำพยัญชนะทีวิจิตรแต่ว่าเป็นคำซ่อนข้องซาบกถ้ามีผูดด้ใดเอาชุดต่างๆเหล่านั้นมาเ ก, กาาอยู่ เขาบกวนฟังด้วยดีบางียงงู่ฟังตั้งจิตเจอหูต่อทืและบ่เทือกสาคัญ่าเป็นทิ่งทียวซึกงสร้างเพและเพิ่นกระตัดกรกับขาวไม่ว่าถ้าไม่ได้ที่เป็นผู้เอาเอ า, เอ า, เอาพสัสตรนั้นมามาเก่าอยู่ซึ่งเป็นคาซ่อนข้องปัททะขเป็นคาซ่อนอาที่ว้าทั้งเรื่องอสุญญตาเพราะฉะ้นได้ที่เอาคำว้านี้มาก่าอยู่ข้อให้ทุกคนยังงูง่ฟังตั้งจิงตเจ ทีจโมตัวทื่อและให้ทือสำคัญว่าเป็นทีต้องซิกซ่าเหมือนเพราะฉะนั้นเวลาก็ได้เามาในนาที่เขาเป็นผู้ผอมหูน้อยแล้วเขาก็ชีเหตุได้ทีในหูได้ว่าอ่าอาจได้ทีทื่ออาจไดที่เป็นคํา่อนหุ้นุ้นจะเจ้าแท้แล้วเขาได้ได้คํานึงก็คือว่าเอาหลักมาประเทศทีมามามามาย่างและเขนาน่าจะทาบว่าหลักมากประเทศทีนั้นเป็นอะไรอ๋อไม่ในะครับ มาพิเศษสีนี่คือคือที่ที่พูดเมื่อสักครู่นี้ที่เรามาพูดไปว่าถ้ามีคนใดสักคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่านี้เป็นพุทธวจนะนะคุณอย่าเพิ่งรับรองอย่าเพิ่งคัดค้านรับรองในกิริยาที่รับรองหมายถึงคุณเอาไปบอกต่อแล้วคุณเชื่ออย่างลงใจเชื่อเลยว่าอันนี้ใช่หรอย่าเพิ่งอย่างนั้นหรือว่าอย่าเพิ่งไปคัดค้านอย่าเพิ่งไปด่าเขาว่าอะไรอย่างนี้ยกไว้ก่อนนะแต่ให้ทําการไปเปรียบเทียบนี่คือมหาพิเทศข้อที่หนึ่งะข้อที่สองก็คือว่าถ้าสมมติมี สำนักไหนบอกว่าเออได้ฟังมาจากภิกษุที่ก็ฟังมาจากพระเจ้าอีกต่อหนึ่งอันนี้ก็ที่สองแต่ด้วยกิริยาเดียวกันแต่คือพระเจ้าซ้ําตรงเนี้ยสี่รอบด้วยเหตุก็คือว่ามีคนพูดขึ้นมาด้วยเหตุที่บอกภิกษุเทะจากวันนี้พูดขึ้นมาด้วยเหตุที่ว่าอาว่านี้เขาทำตามๆกันมาด้วยเหตุที่ว่าเขาฟังมาฟังมาอีกต่อหนึ่งอย่าเป็นสี่อย่างแต่สรุปลงด้วยอันเดียวกันเหมือนกันตรงนี้ที่ว่าอย่าพิ่งรับรองและอย่าเพิ่งรับรองก็คือว่าอย่าพิ่งไป ทำตามร้อหรือว่าไปเที่ยวบอกคนอื่นนี่คื อ, อาการของการป ร, รองอย่าเพึ่งคัดค้านคืออย่าเพิ่มแบบไปด่าเข้าว่าเขาอะไรอย่างนี้แต่ให้กําหนดเนื้อความนั้นให้ดีแล้วเอาไปเทียบเคียงในพระสูตรไปไปสอบทวนในวินยัยถ้าลงกันได้เข้ากันได้อันนี้ใช่ถ้าลงกันไม่ได้เข้าไม่ได้ทิ้งไปทิ้งถามว่าพ้อยคําคนั้นคือแบบไหนพุทธเจ้าเปรียบเทียบไม่ดู2กรณีนั้นคือสูตรต่ตางๆเราใดที่เป็นคําของสาวกเป็นข้อความที่เป็นวิจิพิสดาและเป็นข้อเรื่องนอกแนว เป็นคําของสาวกเนี่ยให้ทิ้งไปซะแต่ส่วนคําใดเป็นคําของพระเจ้าที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นตระคตรปาสิทธ์เป็นเรื่องสุญญาตาให้ฟังได้ให้ให้ทรงจําไว้ทีนี้ถามอ่ะถ้าเป็นคําของสาวกแล้วพูดถึงเรื่องวิมุตต์ฟังได้ไหมเออเนื่องจาถ้าสมมุติอาตมาพูดเรื่องบ้าบอขึ้นมาสักเรื่องในเรื่องหนึ่งเรื่องวิธีการตกปลาวิธีการทํากินแล้วบอกเออเธอต้องไปเลี้ยงปลาเรื่องทำอะไรเฮ้ยอันนี้เรื่องนอกแนวนะ เหนออเปล่าเรื่องนอกแนวไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสอนพระเจ้าไม่ได้สอนทํากินแสอนเรื่องไปวิมุตต์อ่าเพราะฉะนั้นคำของอาตมาจะฟังไม่ได้ให้โยนทิ้งไปแต่ถ้าอาตมาพูดเรื่องที่พระเจ้าสอนแต่ทีนี้คนเนี่ยมันความสามารถไม่เท่ากันนะคือหมายความว่าการกําหนดบทเพียรชนะอย่างเงี้ยไม่่ความสามารถไม่เท่ากันเหนือหรอกมล่าสมมุติว่าถ้าคุณต้องการฟังบเพียรชนะที่เหมือนพระเจ้าเป๊ะคุณต้องไปฟังจากพระเจ้าอะ่ะคือก็จะต้องมีคือแต่ละคนถึงแม้พระสารีบุตรก็ตามเอา้า ก็ยังจะต้องมีคําที่เป็นของภาษาลิบุตรที่ไม่ใช่พระเจ้าบอกแต่ว่าพระเจ้ารับรองในภายหลังพรคำถามว่าไอ้ตรงนั้นเป็นพระพุทธเจนะหรือยังตอนที่พูดไปเนี่ยยังนะแต่เป็นเรื่องอะไรวิมุตต์ไหมใช่เป็นเรื่องสุนิตาไหมใช่แล้วมีคนนั้นก็ฟังบางนี้พระเจ้ายังไม่รับรองนะในนาทีนั้นนึกออกปะแต่ตอนนี้พระเจ้าไม่อยู่ให้รับรองแล้วทําไงเราก็ต้องดูที่อัธถลพระเจ้าพูดถึงธรรมะเหล่าใดาที่เป็นเป็นเอ่อเป็นธรรมะที่งดงานในเบื้องต้นทางกลางที่สุด หรือสึบริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะพร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะนี่หรืป่าอัฏฐด้วยพยัญชนะด้วยนี่มีเรื่องในสมัยพุทธกาลมีภิกษุสองกลุ่มก็ตีกันเขาบอกว่าเฮ้ย hey, เวทนาต้องสามอีกกลุ่มหนูบอกเ ว, m, วทนาต้องหกอีกกลุ่มหนูกไม่ใช่เวทนาต้องร้อยแปดอีกกลุ่มหนูบอกไม่ใช่เวทนาไม่มากไานั้นเวทนาแค่สามสิหกสี่กลุ่มห้ากลุ่มเนี้ยหิมแทงกันด้วยหอกคือปาก บ, บอกว่าเวทนาต้องอย่างนี้เวทนาไม่ใช่อย่างนั้นพูดอย่างงี้ พระอาบอกว่าโอ้ยเรากล่าวเวทนาโดยสามก็มีโดยหกก็มีโดยแปดโดยสามสิบหกก็มีโดยร้อแปก็มีนะเธอเนี่ยแทนที่ว่าจะมาทุ่มเถียงกันเนี่ยควรจะทําในใจว่าเออถ้าถ้าบทเพียญชนะอย่างน้อยไม่ตรงกันนะอัฐะตรงกันก็อย่างดีถ้าอัถะไม่ตรงบทเพียญชนะไม่ตรงโอ้โหนี่คนละเรื่องละหนีหนีแต่ถ้ายัางน้อยคือคนบางคนไม่สามารถกําหนดบทเพียรชนะได้ตรงนะอันนี้ก็ก็เป็นความสามารถของเขาอนะเขามี ถ้าเราสามารถกําหนดบทพิเศชนะได้ใกล้เคียงของพระพุทธเจ้ามากเท่าไหร่นี่ยิ่งดีคือธรรมาเคยมีความปัถนาว่าเฮ้ยถ้าเราจะสามารถพูดคําทุกคําเนำสมมติไม่ว่าอนุชาหรือใครจะถามอะไรมาเราพูดออกมาเป็นพุทธชนะเป๊ะๆเลยไม่มีคําของเราเราจะทําได้ไหมโอ้ยถ้าเราทําได้เราจะดีมากเลยเนี่ยโอ้ยถ้าเราทําได้เราก็ต้องเป็นพระุทธเจ้าเองสิอ้ญาตเราคงทําไม่ได้เราก็คงทําได้เท่าที่เราทําได้อ่ะนึกออกไหมเออๆเพราะฉะนั้นก็อะไรที่เป็นเรื่องที่ พระพุทธเจาสอนไว้ที่มันสอดคล้องกันโดยอัฏ ฐ, ฐ, ฐสอดคล้องกันโดยปรโยชญชนะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีน ะ, ะทีนี้เราก็มีมาประเทศสีแล้วเราก็จะสบายใจได้ละ่ะว่า น, นี้ใช่หรือไม่เราก็ไปเทียบเคียงกันได้อะไรที่เป็นไปเพื่อพระพุทธเจ้าเคยให้หลักเกณฑ์เอาไว้อะไรที่เป็นไปเพื่อควา ม, ความใครกำนัดนะความ เ, าเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อนิพันธ์อันนี้มีสิทธิ์ใช่อะไรที่เป็นไปเพื่อความขนไคว้น้อยอันนี้มีสิทธิ์ใช่อะไรเพื่อเป็นความเลี้ยงง่ายอันนี้มีสิทธิ์ใช่หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจก็จะมีอยู่เจ็ด คือคือบางคนเนี่ยพอรู้พุทธวจนะแล้วเนี่ยนะไปยึดในตรงนี้ไม่ได้พราะธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของที่ใหยึดเอาไว้ยึดเมื่อไหร่เราเป็นทุกทันทีนะยึดเมื่อไหร่เราเป็นทุกทันทีบคนบอกให้ยึดพุทธวจนะแตดจิตไม่ใช่คุณยึดไม่ได้เลยยึดอะไรก็ไม่ได้พระุทธเจ้าถามอย่างนี้มีอยู่หรือไม่หนอคืนนี้เราไปนองคิดดูก็ได้มีอยู่หรือไม่หนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง มีอยู่หรือไม่หนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้เอานอนเอาเท้าก่ายหน้าผากลอคิดมีอยู่ไหมเนาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ไม่มีนะไม่มีเลยพระเจ้าตอบว่าไม่มีแม้สิ่งหนึ่งที่เมื่อเธอยึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ไม่มีอ้าวเขาถามว่าคําสอนพระเจ้าแม่ยึดแล้วให้ทำอะไรให้ออกเป็นที่พึ่งเอาพึ่งกับยึดนี่ไม่เหมือนกันนะพึ่งเนี่ยเหมือนกับเราเสาอ่ะมีเสาอยู่เราไปพึ่งเราไปพิงเสาเข้าใช่ไหม เราเหนื่อยแล้วไม่พิงเสาวสบายใจแต่ถ้ายึดนี่คือเราจะเอาเสามาเป็นของเราคือคุณจะไปเอาเสาออกมาบ้านก็พังสิไม่เหรอป่าเราไม่เราไม่ยึดเราใช้เป็นที่พึ่งเฉยๆแต่เราไม่ยึดเราใช้เป็นที่พึ่งเฉยๆถ้าการเป็นที่พึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเอ้ะเรามีปัญหาอะไรเรากังวลใจเรื่องอะไรเรามาดูซิพระเจ้าสอนอะไรเออเอาตรงนี้เป็นที่พึ่งแต่ถ้ายึดเนี่ยคือยึดว่าจะเป็นของเราคุณพิพัฒนะเป็นของเรา พระพุทธธรรมประสงค์เป็นของเราถ้าเป็นของเราปุ๊บใครมาพูดอะไรนิดหน่อยที่ไม่สอดคล้องพี่เจ้าสอนเราจะจี้ทันทีเราจะจี้ทัน ท, เจจ ท, นทีเราจะเป็นทุกข์มากเลยโอ้ยคนนี้ไม่ปฏิบัติตามศีลมันชั่วมันทําพุทธศาสนาให้เศร้าหมองอ่าฮ่าคุณเป็นทุกข์แล้วคุณรู้ตัวหรือเปล่าเพราะคุณยึดในพระพุทธธรรมประสงค์แต่เราต้องวางซะเออวางแต่เราเอาเป็นที่พึ่งคนอื่นจะศึกษาไม่ศึกษาช่างหัวมันเราจะศึกษาเหนือกไหม เราไม่ยึดแต่เอาเป็นที่พึ่งผู้รู้ชาพูดวิจารณเจนบุคคลนะเพราะว่ายึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ทําความเกษมไม่ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดแต่บุคคลใหนที่ถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วรู้อริยสัจสีด้วยปัญญาชัดเจนอันนี้แหละคือที่พึ่งอันสูงสุดคือถือเอาเป็นที่พึ่งไม่ใช่ยึดเอาไม่เหมือนกันยึดนี่คือออด้วยําานขงตัหและทิิฐ แต่ถือเอานี่ด้วยอํานาจของความศรัท ธ, ธาก็้าใจไหมคุณศรัท ธ, ธามีความมั่นใจในคําสอนพระเจ้าเนี่ยคุณจึงถือเอาสิ่งนี้เป็นที่พึ่งแต่เพราะอํานาจของตันหามันจะทําให้เรายึดโอ้มันมาเนียนกันมากเลยนะมันใกล้กันมากเราต้องปาดออกให้ดีมีต้องคมมากคือปัญญาต้องคมมากว่างสั้นหอกว่าสั้นๆว่างส่ว่ายาวๆก็ต้องไปเจ็ดวันนั่นแหละทีมีวอร์วันนี้ปล่าว่า อย่ข้างหลังโ อ, อยังอยู่เอาถามนี้ไปรถนะถา ม, ถามรถ<ะ>ถามถืกต้องดีอยู่คารภ<อ>าจาร์ค่ะนอยเอาเลยอานามค่นอยยักเหรียนท่ามว่าเวลาจิตสงบกับจิตฟุ้งซ่านมีราคาซํากันบ่ค่นอยจิตสงบกับจิตฟุ้งซ่านมีราคาก็กันวะ <c oughs> มันกบฏห่อดอก เออคือเกินกับกระทิงแดงละอยู่อุรานขายสิบบาทมาอยู่ลาวขายยี่สิบบาทเป็นเงินทั้งสองพันกว่าเน่ยหระสองพันกว่ากี่บออันนั่นบอกคือกันแต่ว่าให้อาจารย์ไพ่บูญนะตอบให้ออพระเจ้าเคย เคยเปรียบเทียบอย่างนี้นะอาพุทธประชนะ น, นะพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับเอพ่อครัวที่ทําอาหารอร่อยกับการอาหารไม่อร่อยมีค่าเท่ากันไหมมันจะค่าไม่เท่ากันคนที่มีทําอาหารอร่อยเนี่ยเขาจะได้ค่าจ้างรางวัลที่สูงกว่าคนที่ทาาํา อ, อ, อาหารไม่อร่อยเนี่ยจะได้ค่าจ้างรางวัลที่ต่ํากว่าทํามว่าอาหารอร่อยอาหารไม่อร่อยเนี่ยเขาเขาทำยังไงเขาอาศัยเหตุปัจจัยที่เขารู้จักสังเกตรสชาติอาหารว่าโอ๋อ oh, ใส่พริก แบบนี้มันเผ็ดมากใสพ่พร like ิกไทยอย่างนี้มันเผ็ดน้อยรู้จักอาหารว่าเออคนนี้เขากินมากคนนี้เขากินน้อยคือพ่อครัวสองคนนี้ทำอาหารเลี้ยงพระราชาแต่พอทำอาหารเลี้ยงพระราชาแล้วพ่อครัวคนแรกนี่ไม่รู้จักสังเกตว่าพระราชากินอาหารอันไหนมากอันไหนน้อยกินเปรี้ยกินเค็มไม่รู้จักสังเกตแต่เก็ไม่ดูว่าอาหารอันไหนหมดมากอันไหนหมดน้อยอาหารพระราชาชมอันไหนไม่ชมอันไหนไม่สังเกตแต่คือทำตามที่ตัวเองอยากทํา จนพระราชาพ่อคุยคนหนึ่งรู้จักสังเกตว่าออกพระราชาชอบกินอันนี้ไม่ชอบกินอันนี้เอชมานี้ไม่ชมันนี้อ๋อเราใช้รสชาติงนี้ใช้มะนาวแบบนี้มันเปรี้ยวแบบนี้ใช้มะนาวอีกแบบหนึ่งมันเปรี้ยวอีกแบบหนึ่งเอาแค่ว่ารสเค็ม่ะรสเค็ season, e. จมจากเกลือรสเค็มจากปลาร้าสเค็มจากน้ำน้ําปลารสเค็มจากเกลือสมุตก็ไม่เหมือนกันนะรสเค็มจากซีอิ๊วก็ไม่เหมือนกันสมมติเราเอาลอง เอาตลล้าไปใส่กับข้าต้มอ่ะเพรามันกินไม่ได้เพราะมันเค็มไม่เหมือนกันทนั้งนี้มันก็เคม like ็มซีอวเหมือนกันหรือเปล่าปเค็มเหมือนกันแต่มันเค็มไม่เหมือนกันอ่าเพราะว่าพ่อครัวคนเนี้เขารู้จักสังเกตรสอาหารจึงทําให้ได้ค่าจ้างรางวัลจากพระราชานี่บารีเคืออะไรพระเจ้าบอกว่าเปรียบเหมือนภิกษุสองรูปนั่งสมาธิอยู่คนนี้ก็เจริญสติปัฏฐานคนนี้ก็เจริญสติปัฏฐานคนนี้ก็สังเกตลมใจคนนี้ก็สังเกตลมใจ เ, er. เอาทำไมองหนึ่งจิตไม่สงบองหนึ่งจิตสงบทําไมองค์หนึ่ จิตเมสิตฟุ้งซ่านหนึ่งจิตสงบเพราะว่าความที่สององเนี้ยสังเกตจิตของตัวเองไม่เหมือนกันทำให้จิตฟุง้งซ่านทำให้จิตสงบที น, นี้ถามว่าไอ้จิตฟุง้งซ่านจิตสงบคืออะไรคือค่าจ้างรางวัลที่ตัวเองจะได้รับอย่างไรก็ตามนี่คือความที่มันไม่เท่ากันของราคานะแต่ถ้าผมว่าวางได้ถ้าผมว่าสติที่เราระลึกรู้เนี่ยเป็นแค่เป็นเพียงแค่อศัยระลึก เพียงเพียงแค่อาศัยรู้ว่ากายมีอยู่เท่านี้ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอเพียงแค่อาศัยรู้เป็นเพียงแค่อาศัยระลึกที่แท้ปัญหาและที i, ่ติของเธออาศัยไม่ได้เธอก็ไม่ยึดมั่นถึงมั่นอะไรอะไรในโลกวางได้นะสององค์นี้ก็บรรลุได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าเธอวางความพุ้สร้างได้ก็บรรลุได้ถ้าเธอความวางความจิตที่เป็นสมาธิได้เธอก็บรรลุได้เหมือนกันแต่ว่าค่าจ้างรางวัลก็จะไม่เท่ากันนะคนที่มีจิตเป็นสมาธิก็จะมีความสุขคนที่มีจิตฟุ้สร้างก็จะมีความสุขนะ แต่ว่าอความสุขกับจิตฟุ้งซ่านมันก็จบเมือนกันโมเมนต์บ่างน้อยมีการเปลี่ยนแปลงมีทุกข้างอยู่ในฮันโมเมนบ้างน่อยใช่แล้วก็เลยว่าคือ ค, อ, ค อ, อย่างนี้เท่ากันมันจะมีทั้งที่เท่ากันและไม่เท่ากันเาาว่คือคืออย่า ง, งนะเดวราโชติ๋อใหญ่ฝากนะออย่างสมมติเราบอกว่าบาปเนี่ยไม่ดีต้องไม่ทําบาปนะถูกต้องนะบุญนี่ดีต้องทําบุญนะอ่าอ แต่บุญนี่มีโทษนะถ้าธรรมมาบอกบุญมีโทษธรรมาจะพูดค้านกับพระรูปเจ้าสติเราจะกล่าวตู่พระเจ้าเราจะไม่พูดอย่างนั้นเราจะบอกว่าแต่บุญเนี่ยมันมีข้อเสียของมันก็คือมันไม่เที่ยงเข้าใจไหมไม่มีอะไรที่เที่ยงในโลกสมาธิก็ดับไปได้สติก็ดับไปได้ความสงบระงับดับไปได้อะไรที่เกิดมาแล้วไม่ดับไม่มีนี่แหละคือความโทษของมันถ้าเราวางตรงนี้ได้อ่าได้บุญบาปเนี่ยนะอยิ่งต้องควรวาง ก็ใช่ไหมบาปนี้ไม่ดีไม่ควรทำํำมากๆถ้าทำเนี่ยคุณจะไม่เห็นแม้กระทั่งความไม่เที่ยงเห็นแต่ความยึดถือเห็นแต่ความเที่ยงแท้แน่นอนซึ่งไม่ควรทําอย่างยิ่งแต่เพราะนั้นคนไหนสักคนหนึ่งที่มันจิตฟุง้งซ่านแล้วมันจะมาวางได้เนี่ยมันจะยากมากแต่ถ้าวางได้ก็ก็อาจจะทําได้อยู่ที่อินทรีย์บารมีเขามากน้อยแค่ไหนนะอ่าถ้าเขาวางได้ก็ดีแต่ถ้าคุณจิตสงบแล้วคุณจะวางได้มีโอกาสมากกว่าเห็นไหมเพราะนั้นค่ามันจะไม่เท่ากัน แต่โอกาสในการบรรลุมรรคผลนิพพานก็คือถ้าวางได้เนี่ยมันวางได้แค่นิดเดียวคือวางเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเอเป็นหลายๆปีนะคือวางมันแค่ขณะจิตเดียววางได้นึกเหนืหอยปะคือขณะในการวางเนี่ยมันแค่อาศัยขณะจิตเดียวถ้าขณะจิตนั้นองค์ประกอบครบก็สามารถวางได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาบุญดีไหมดีสมาธิดีไหมดีนะสิ่งที่เราควรทําอะไรก็คือวางเขาให้ได้เพราะฉะนั้น ค่าราคาก็จะไม่เท่ากันในลักษณะนี้แล้วก็จะเท่ากันในลักษณะที่ว่ามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอย่างเงี้ยนะมีทั้งที่เท่ากันและไม่เท่ากันดังนี้อา้าวก็ปัญหาแล้วก็เมื่ลายนาทีเนาะปัญหาเนาะเออบัณนฑนิติพานั่งสมาธิอย่าหน่อยหนึ่งเออนั่งสมาธิอย่ายี่สิบนาทีเอาละ เอาที่นางสบายสบายหายใจลึกๆเล้อ้ายใจลึกๆสุขผูสุขคนหายใจลึกๆอายใจลึกๆอายใจลึกๆแล้วให้คอยเบิง คอยเบิงค่อยฮู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ดังเฮานะฮู้ลมหายใจเข้าหู้ลมหายใจออกลมหายใจมันออกเข้าตามธรรมชาติธรรมดาของมันเดลยให้ค่อยเบิงสื่อคอยดูจักสื่ออันนี้เป็นวิธีทํากินให้สงบให้เป็นสมาธิสมาธิ เกิดขึ้นมีปัญญาสมาธิสนุนปัญญาให้เกิดขึ้นห้องปัญญาไว้ให้เกิดขึ้นเอามาห้องปัญญาให้เกิดขึ้นซีนอะซีนสมาธิปัญญามันสนุนกันปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจิรู้แจ้งในอรียสัจซี โลแจ้งในอริย ส, สนะัสี่ดาวกสิพ้นจากทุกข์ิตใจเฮาสิสบายที่สุดเลยนะอันนี้ก็ดีอยู่หลายคนทําไปก็ใจสบายดีใจสงบให้สังเกตเบิงเนื้อว่าจิตเฮาสงบลงได้เป็นอย่างไรแนะ่ เอาเฮ็ดจังใดกิดเฮาจังสงบจังซี่ขันเฮ็ดปวเศ้าจนฮอตมื่นสุดท้ายที่สบายที่สุดเลยมื่นสุดท้ายก็คือมื่นสุดท้ายหันละใจเฮาสิสบายที่ชุดเลยนี่คือทางโบไปสู่อบา ย, ยาภูมิทางไปสวรรค์ ทางมาเกิดเป็นมนุษย์ทางไปนิพพาน ท, ทางไปพมะโลกทางไปพระนิพพานทางมาเกิดเป็นมนุษย์ทางมาเกิดเป็นเทวด า, ท า, าดทางมาเกิดเป็นพมทางมาเกิดเป็นพระนิพพานเอาเหตุเฉยๆล่ะเอาสิได้มาเห็นว่าสมควรเก่เวลาแล้ว ถือโอกาสลาญาตินมทุคูสุกคนกับวัดป่าดอนไฮโซ ค, คุณแหละอขอให้มีความสุขความเจริญมีความสบายกายสบายใจในดวงตาเห็นธรรมพ้นจากทุกสุขสู่สุขคนเดอ้อ